จเจริญพรทุกทุกท่านใครจะปีใหม่ละแป๊บเดียวก็ปีหนึ่งปีหนึ่งใครรู้สึกว่าปีหนึ่งผ่านไปรวดเร็วบ้างยกมือสิเนี่เครื่องวัดความแก่นะถ้าเด็กมันไม่รู้สึกเด็กรู้สึกปีหนึ่งนานเพราะเวลาที่เหลือเนี่ยยังเหลือเยอะกับรู้สึกว่าปีหนึ่งเนี่ยผ่านช้า เวลาเราอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นรู้สึกเวลาข้างหน้าเราเนี้ยสั้นลงปีหนึ่งนี้ยหมดไปอย่างรวดเร็วน่าเสียดายเดี๋ยจะเสียดายหรือไม่เสียดายมันอยู่ที่ว่าเราได้ใช้เวลาให้มีคุณค่าแค่ไหนถ้าเวลาที่เราผ่านไปนเราหลงโลกไปเรื่อยเรยมันไม่มีอะไรครับคนหลงโลกเนี่ยอยู่กับโลกแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งถูกสิ่งแย่งทุกอย่างสุดท้ายก็ว่างเปล่า อย่างแย่งอำนาจนะถึงวันหนึ่งอำนาจก็หมดไปแย่งทรัพย์สินเงินทองวันหนึ่งทรัพย์สินเงินทองก็เป็นของคนอื่นแย่งผู้หญิงแย่งผู้ชายแย่งน้อนแย่งนี้กันสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าวันเวลาที่ผ่านไปนะเราผ่านไปได้วยศีลด้วยธรรมของเราเราพัฒนาคุณภาพทางใจของเราสูงขึ้นสูงขึ้นเราจะพะว่าวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ศูญเปล่า จะรู้สึกยิ่มอกอิมใจอย่างหลวงพ่อภาวนามาแต่เด็กๆตอนวัยรุ่นเนี่ยลืมกรรมฐานไปช่วงหนึ่งนะหลงโลกแต่ว่าไม่ได้เลิกนั่งสมาธิแต่ว่านั่งไปอย่างนั้นเองอะช่วงเรียนมหาวิทยาลัยปริญญาตรีอะไรเนี่ยหมดแต่วุ่นวายอยู่กับโลกนะเรื่องการบ้านการเมืองเป็นนักเดินขบวนนะหลวงพ่อนะเป็นนักเดินขบวน พอผ่านแบนเวลามานะโตขึ้นมาเนี่ยกลับมาพ o r าอีกเวลาที่ผ่านมาแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเนี่ยมันเป็นเวลาที่มีคุณค่าพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งสอนนะบอกว่าถ้าเรามีสติอยู่นะแม้แต่คืนเดียวมีชีวิตอยู่ราตรีเดียวก็น่าชมในขณะที่คนทั่วไปมีอายุตั้งร้อยปีก็ไม่มีคุณค่าเลยเพราะมันว่างเปล่า ไปหาของซึ่งไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปเลยแต่ธรรมะมันจะติดเราไปนะข้ามภพข้ามชาติไปเราชาติหน้าสมมติว่าชาตินี้เราพาวนาเราไม่ได้มรรคได้ผลอะไรชาติหน้าเราพอวนาแป๊บเดียวเราก็จะได้มรรคผลแล้วถ้าเราเคยฝึกเคยอบรมจิตใจมา ก, ก่อนแต่ถ้าชาตินี้เราขี้เกียจ น, นะชาติหน้ามันก็ไม่ได้ผลอีกแหละใครรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาช้าบ้างยกมือซิ ชาติหน้าอย่าให้ช้าอย่างนี้อีกนะถ้าจะช้าถ้าจะข้ามชาตินะใครรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาเร็วปะยกมือซิมีไหมทำไมแล้วมีพวกที่เหลือเนี่ยพวกพวกไหนส่วนใหญ่พวกด้อยพัฒนาไหมเงี้เราต้องสำรวจตัเองนะอย่าให้มันเวลาล่วงไปเปล่าๆเรามีชีวิตอยู่อย่างมีสติ หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเราจะพบว่าทุกลมหายใจเข้าออกมันมีคุณค่ามันมีอะไรที่จะเพิ่มคุณค่าให้จิตใจของเราได้ลองทำดูซิหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวไม่ใช่บังคับตัวเองนะรู้สึกสบายๆ ย, ยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานหลักสูตรของหลวงพ่อต้องเริ่มด้วยยิ้มหวานก่อน ทำไมต้องยิ้มหวานหวานยิ้มให้ใจมันบานเลยนะให้ใจมันเหมือนมีดอกไม้อยู่ข้างในเรายิ้มหวานให้ใจเราเหมือนดอกไม้บานเลยพอจิตใจมันมีความสุขแล้วเนี่ยสมาธิมันจะเกิดจิตใจมันจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาง่ายนะแล้วก็คอยรู้สึกไปทีแรกเรายิ้มหวานเราเห็นร่างกายมันยิ้มเราเห็นใจเราคลี่บานเหมือนดอกไม้บานเนี่ยเราได้รู้สึกลงที่กายรู้สึกลงที่ใจ บางคนบอกสอนกรรมาฐานอะไรว่ายิ้มหวานหวานนะก็ดีว่าทําหน้าเบื้องอกเอาทุกคนทําหน้าเบื้องซินะทําใจให้อ า, าคาดแฉนอย่างเงี้ยมันไม่ดีใช่ไหมนะใจอย่างนั้นมันจะไปดีได้ยังไงเรามีใจที่สบายใจที่ผ่อนคลายใจที่มีความสุขนะร่างกายยิ้มเราเห็นร่างกายมันยิ้มจิตใจมันเบิกบานเราเห็นจิตใจมันเบิกบานนะฝึกอย่างนี้เรื่อย สังเกตที่ใจเดี๋ยวใจก็มีความสุขเดี๋ยวใจเฉยๆนะถ้าหลวงพ่อเทศธรรมาร่วนๆใจก็คเคลียดนะเนี่ยสังเกตที่กายสังเกตที่ใจเรื่อยๆการฝึกกรรมฐานนะอย่าไปวาดภาพว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนลึกซึ้งมากมายอะไรมากมายไม่มีอะไรลึกลับหรอกนะแต่ประณีตลึกซึ้งนะใช่แต่ว่ามันง่ายเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะง่ายจนกระทั่งมันยาก เพราะเราคิดว่าการทำกรรมฐานเนี่ยต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนมนุษย์ปกติแท้จริงแล้วกรรมฐานจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะอย่างเรารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจคนทั่วไปมีร่างกายมีจิตใจแต่มันไม่รู้สึกมันลืมกายลืมใจตลอดเวลาเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยหลวงพ่อเขาเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงพ่อพุทธสอนกรรมฐานหน้าฟังนะสอนบอกว่า ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยกรรมฐานท่านฟังแล้วเหมือนไม่ใช่กรรมฐานใช่ไหมพวกเราก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดทั้งวันใช่ไหมทำไมไม่เห็นเป็นกรรมฐานมาให้มีสติจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเนี่ยใครเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายใช่ไหมร่างกายเป็นคนยืนเป็นคนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดในร่างกาย คิดใครเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดงั้นให้เราคอยมีสตินะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินเดิมทําพูดเลืรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีคิดนึกปรุงแต่งไปนะคิดดีบ้างคิดร้ายบ้า ง, ค, ดดงคิดออกมาแล้วมีความสุขบ้างคิดแล้วมีความทุกข์บ้างให้เราก็มีสติระลึกรู้เนี่มีสติระลึกรู้ร่างกายมีสติระลึกรู้จิตใจเนืองเนืองไม่ใช่เรื่องยากการระลึกรู้ เราระลึกรู้ไม่ได้นะถ้าเราใจลอยนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งเลยใจลอยระลึกรู้ไม่ได้ศัตรูเบอร์สองของมันคือการที่บังคับกายบังคับใจจนผิดธรรมชาติร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นแบบไหนเรารู้สึกอย่างนั้นนะไม่ใช่ไปบังคับให้มันผิดธรรมชาติธรรมดาจิตใจของเรานีโดยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยจิตใจจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคิดโน้นคิดนี้นะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์เราไม่ได้ไปฝึกห้ามมันะ ไม่ใช่ไปฝึกว่าต้องดีต้องสูกต้องสงบถ้าเราฝึกเอาเดียอาสูขสงบนะอย่างเก่งที่สุดก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมเท่านั้นเองไม่บรรลุมรรคผลเลยงั้นที่หลวงพ่อบอกให้ยิ้มหวานหวานยิ้มจนใจเบิกบานเนี่ยแล้วก็มีสติเห็นร่างกายยิ้มรู้สึกไหมร่างกายยิ้มอย่างเราไม่ได้ไปดูคนอื่นยิ้มนะดูคนอื่นเราดูด้วยตาใช่ไหมนี่เรารู้ด้วยใจกรรมฐ า, านนี่เป็นงานของใจนะเอายิ้มหวานนี่ที นิ่มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มนะแค่รู้สึกนะคําว่าแค่รู้สึกรู้จักไหมแค่รู้สึกเนี่ยแค่รู้สึกไม่ใช่ตั้งใจรู้สึกอย่างนี้บังคับมากไปหรือไม่รู้เรื่องเลยนะอันนี้ย่อหย่อนเกินไปแค่รู้สึกเท่านั้นเองะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึก ตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกไหมวิธีธรรมานาปสตินะก็ไม่ใช่ว่าต้องหายใจอย่างนั้นต้องหายใจอย่างนี้นะหายใจเรารู้สึกตัวไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรที่ยุ่งยากเลยนะอย่างเรื่องหายใจเี้ยร่างกายเป็นหายใจบอภิกษุทั้งหลายให้เธอคู้บันลังร่างกายตรงดำโลสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรั่หายใจเข้ายาวก่แค่นี้เอง ไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้สอนว่าการหายใจมีกี่จังหวะต้องหายใจอย่างนั้นต้องหายใจอย่างนี้ถ้าไม่ได้สอนนะทาสอนอะไรที่ง่ายๆอย่างขนาะนี้พวกเราหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกตัวเองไหมแค่รู้สึกนะอย่าไปจ้องถ้าจ้องเนี่ยตึงเครียดเกินไปถ้าหายใจเราไม่รู้สึกเนี่ยย่อหย่อนเกินไปเนียทางสายกลางมันแค่แค่รู้สึกแค่รู้สึกเท่านั้นเองนะเราส่หน้าซิ อย่าสายเร็วเดี๋ยวเบียนหัวเนะี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวเวลาแรกเนี่ยนะขั้นแรกเนี่ยรู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจนะอันนี้เป็นการฝึกสติของเราร่างกายมันยิ้มรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกจิตใจมีความสุขจิตใจมีความทุกข์จิตใจเป็นกุศลจิตใจเป็นอกุศลรู้สึก นี่เรามีสติระลึกรู้ลงไปอย่างจิต ท, ที่เป็นกุศลอกุศลน ะ, ระพระพทธเจ้าก็สอนง่ายๆวิสูททั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะง่ายๆเห็นไหมไม่มีกระบวนท่าเลยถ้าพวกเราบอกเอาไปดูจิตพอเราก็เริ่มถามแนะจิตอยู่ที่ไหนจะดูตรงหน้าอกหรือจะดูตรงหน้าผากหรือจะดูอยู่ข้างบนเรื่องมากนะเรื่องมากเกินความจําเป็น แค่จิตมันมีราคาขึ้นมารู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะจิตหลงไปก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหถหู่ก็รู้ง่ายๆอย่างนี้มีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความสุขหายไปก็รู้นะความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ความเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้ความเฉยๆหายไปก็รู้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลย การที่เราจะรู้กายรู้ใจนะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาทุกคนรู้ได้แต่ทุกคนละเลยที่จะรู้เพราะว่าอะไรเพราะมัวแต่สนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสของภายนอกหรือสนใจในเรื่องราวที่คิดมันก็เลยไม่ยอมรู้สึกที่กายที่ใจสนใจออกข้างนอกไปหมดเลยเราสนใจรูปใช่ไหมเราไม่สนใจตัวเองไม่สนใจร่างกายจิตใจตัวเองสนใจสิ่งที่มองเห็น เราสนใจเสียงที่ได้ยินเราไม่สนใจกายไม่สนใจจิตใจของตัวเองเ <Yeah. S 2> นี่ยมันง่ายๆแค่นี้แค่เราเรียนรู้สึกขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเด็กเล็กๆ ก, ก, ก็รู้สึกเป็นแต่เราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินคำสอนที่ว่าให้ย้อนมารู้สึกกายรู้สึกใจนะต่อไปนี้พวกเราเป็นปุทุชนที่ได้สดับแล้วนะเป็นปุทุชนที่ได้ยินธรรมาแล้วรู้ว่าเราต้องกลับมาเรียนรู้รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจ งั้นในขณะที่ตามมองเห็นอย่าโมแต่หลงกับสิ่งที่ไปเห็นข้าวให้รู้สึกร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยงไงรู้สึกเช่นตามองเห็นสาวสวยใจเป็นชอบหรือว่าชอบเนี่ยพอชอบแล้วหน้าตาเนี่ยนะหน้าตาราคาเยิมขึ้นมาเลยรู้สึก <Fine. S 2> ได้ไหมหน้าตาเราเนี่ยนะหน้าตาดูไม่ได้แล้วหน้าตาบ้าการามขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยรู้สึกไหมหน้าตาบ้าการามเป็นยังไง ร, รู้สึกได้ไหม ไ่ยักหน้าเป็นแถวเลยที่แปลกนะผู้หญิงก็พยักนะเ <c oughs> <c oughs> ออก็มันรู้สึกได้จริงอ่ะก็เก่งอ่ะน ะ, ะไม่ใช่ว่าผู้ชายมีกามคนเดียวนี้ใช่ไหมหรือเวลากโกรธหน้าบึ้งอ่ะรู้สึกไหมเวลากโกรธหน้าตาดูไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่เวลากโกรธเนี่ยมันจะไปดูคนที่ทําให้โกรธสนใจไอ้คนเนี้ยขับรถปาดหน้าเราเราก็ไปดูเขาหรือไอ้คนเนี่มันด่าเราเราก็ไปดูเขา เราไม่ดูว่าตอนนี้หน้าตาเราตอนที่กำลังโกรธนี่นหน้าตาเป็นยังไงนะหน้าตาจะดูไม่ได้เลยแล้วจิตใจตอนที่กําลังโกรธนี่นมันดิ้นดิ้นดินดินะ น, น, น, นะมันสภ า, าวะมันแสดงออกมาเนี่ยเป็นยังไงเราไม่รู้เราไม่เห็นนะเพราะเราสนใจแต่ของข้างนอกแต่เป็นี้ย้อนมาสนใจกายสนใจตัวเองนะสนใจจิตใจของตัวเองคอยรู้สึกคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปความรู้สึกที่กายรู้สึกที่ใจมีสองสเต็ป มีสองขั้นตอนสองระดับนะ а, จะเรียกว่าสองระดับดีกว่าสองระดับระดับต้นเนี่ยเรียกรู้ด้วยสติระดับปลายเนี่ยรู้ด้วยปัญญาขั้นต้นรู้ด้วยสติคือรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจะอย่างเรายิ้มนลองยิ้มอีกทีรู้สึกไหมร่างกายยิ้มยสติเป็นคนรู้นะร่างกายยิ้มพยักหน้าสิเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมสติเป็นคนรู้นะ เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยบางคนไม่รู้กายจะรู้ยังไงนะจะเอาจิตไว้ที่ไหนเรื่องมากเรื่องมากเกินไปนะยิ้มแล้วรู้สึกว่ายิ้มเลยใครเป็นคนยิ้มอ่ะร่างกายยิ้มใครเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนรู้สึกถามว่าเราใจอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปหานะไม่ต้องไปหาว่าใจอยู่ที่ไหนนะถ้าหาหาไม่เจอนะจิตนั้นเกินดับรวดเร็วมากเลยนะแล้เราแค่รู้สึก ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายหายใจออกหายใช้เข้ารู้สึกมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกหรือมีกุศลเกิดขึ้นในใจก็รู้สึกมีอักกุศลเกิดขึ้นในใจก็รู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะคอยรู้สึกไปหรือกระทั่งจิตใจของเราเองนะตัวจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ก็รู้สึกนะเดี๋ยวเป็นผู้คิดตรงนี้ไม่รู้สึกอะ ถ้าคิดไปก่อนแล้วก็เกิดรู้ขึ้นมาอ๋อเมื่อกี้เป็นจิตหลงไปคิดะให้เห็นเมื่อกี้จิตหลงไปดูเมื่อกี้จิตหลงไปฟังเมื่อกี้จิตหลงไปคิดเป็นสลับด้วยจิตรู้เป็นระยะระยะระยะไปเมื่อไรรู้ว่าจิตหลงไปคิดนั้นเะมื่อนั้นจิตรู้ e, ก็เกิดเมืนะ่อไรรู้ว่าจิตหลงไปดูเมื่อนั้นจิตจิตรู้ก็เกิดะเนี่ยค่อยฝึกฝึกไปการที่เรารู้สภาวะนะทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนมามธรรมรูปธรรมคือในส่วนของร่างกายเนี้ ก็รู้ด้วยสติรู้นามรรมอย่างความสุขความทุกข์กุศลอกุศลหรือรู้จิตใจตัวเองนนะก็รู้ด้วยสติหัดบ่อยๆนะแต่เราจะไม่ได้หยุดตัวเองอยู่แค่ระดับการรู้ด้วยสติเราจะต้องพัฒนาขึ้นไปสู่การรู้ด้วยปัญญาการรู้ด้วยปัญญาเนี่ยไม่ใช่รู้ร่างกายไม่ใช่รู้ความสุขทุกข์ไม่ใช่รู้ความจำได้หมายรู้ไม่ใช่รู้ความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่รู้จิต การรู้ได้ปัญญาเนี่ยคือการมองทะลุรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายลงไปนะไปเห็นลักษณะที่แท้จริงของมันของสภาวะธรรมแต่ละอย่างลักษณะที่แท้จริงเป็นลักษณะร่วมของรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายทั้งปวงเนระียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เป็นลักษณะร่วมของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงในรูปธรรม่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะเห็นร่างกายยิ้ม แต่ถ้าเราทะลุลงไปเห็นด้วยปัญญาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยตัวที่ยิ้มไม่ใช่เราหรอกนะมันเหมือนเปลือกอะไรที่จิตมาใส่อยู่มันเป็นรูปธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเ น, นี่ยตัวที่ยิ้มเนี่ยนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาคล้ายๆหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองเ น, นี่ยมองทะลุเข้าไปหรือเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆปัญญามันแก่กล้าขึ้นมามันเห็น ทำไมมันต้องยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยเพราะร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ทุกๆอิริยาบถนั่งอยู่ก็ทุกข์ใครทุกข์บ้างนั่งอยู่เนี่ยทุกข์มากไหมตรงแมงกระดูกกดิกก็ทุกข์มากนะพอทุกข์นิดหน่อยแล้วก็ขยับแล้วก็หนีทุกข์ไปทีหนึ่งก็ทุกข์ตามมาอีกก็ขยับอีกก็หนีทุกข์ไปอีกทีหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนี่เราดูลงไปด้วยปัญญาเราก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ มีแต่ทุกบิบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเปลือกเป็นถ้ำนะเป็นวัตถุที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวยืมลอกมาใช้รู้จักปูปูเสฉวนไหมใ ค, ใครรู้จักบ้างต้องคนโบราณ น, นะเดี๋ยวนี้มันคงสูญพันธุ์ไปแล้วคล้ายๆปูนะแต่ตัวมันเหมือนหนอนนะเหมือนหอยอแล้วมันไปอยู่ในหอยอีกทีหนึ่งนะเวลาจิตมันเข้าไปอาศัยอยู่ในเปลือกเนะี่ย คืออาศัยอยู่ในกายนะคล้ายๆปู่นี่เลยตอนเด็กๆหลวงข้าก็ดูปู่เนี้ยคล้ายๆคล้ายๆจิตเลยตอนเด็กๆเลยนะเด็กเพราะว่าตั้งแต่เจ็ดขวบเนี้ยแยกกายกับจิตได้แล้วนั่งสมาธินี่จิตเราไปเที่ยวข้างนอก่ะไปดูสวรรค์ไปอะไรอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าไม่รู้นะสิ่งที่เห็นนะจริงหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าออกไปเห็นนะไม่มีสติปัญญาจะแยกแยะหรอกว่ามันของจริงหรือของปลอม มันคล้ายๆว่าจิตเนี่ยมันถอดออกจากร่างได้จิตกับร่างกายเนี่ยโคจรันกันเหมือนไ้ปูตัวเนี้ยพอมันโตขึ้นนะมีต้องทิ้งเปลือกหอยอันเก่าแล้วไปหาเปลือกใหม่อยู่คล้ายๆจิตเนี่ยอยู่ในเปลือกอันเนี้ยอยู่ถึงช่วงหนึ่งก็อยู่ไม่ได้นะก็ทิ้งเปลือกอันเนี้ยไปหาร่างกายใหม่อยู่นะแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาที่ตายเนี่ยไม่ใช่จิตดวงเก่าออกจากร่างไปเกิดใหม่นะอันนั้นหลวงพ่อไปเห็นตอนเด็กๆไปคิดแบบเด็กๆ มันมีสักยัตทิถิมันคิดว่าจิตนีิเที่ยงยังไม่เคยเห็นว่าจิตมันเกิดดับยังไม่เคยเจอหลวงปู่ดุลแต่รู้แล้วว่ากายกับจิตมันโคโรนกันนะถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะออกจากร่างแล้วไปเกิดใหม่มันคิดว่าจิตตัวเก่านี่เป็นเกิดใหม่เนี่ยคิดแบบเด็กๆนะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะอย่างแท้จริงที่จริงจิตเกิดดับอยู่ทุกขณะเลยเกิดดับปับป๊บปับป๊บๆันี้เลยนะรวดเร็วมากเนี่ยพอเรามีสตินะเห็นร่างกาย มีปัญญาเห็นร่างกายเป็นแค่ที่อาศัยเป็นเปลือกเป็นถ้ำเป็นวัตถุที่จิตมาใาัยอยู่ชั่วคราวนะในสุดที่สุดก็อยู่ไม่ได้ถูกความทุกข์บีบคัน้นจนแตกสลายไปอันนี้เรียกว่าเรารู้ด้วยปัญญาคือ ร, รู้ลักษณะร่วมของสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมลักษณะร่วมภาษาบาลีเรียกว่าสามัญลักษณะสามัญลักษณ ะ, นะญญษณะเคยได้ยินไหมเดี๋ยวนี้มีไหมกรมสามัญศึกษายังมีไหมหรือเลิกไปแล้ว สมัยโบราณมีมีกลมสามัญศึกษากลมพิสามัญศึกษาฟังแล้วก็ไม่รู้ว่ากลมอะไรนะรู้แต่ว่ามันกลมๆนะสามัญลักษณะหมายถึงเป็นลักษณะทั่วไปลักษณะร่วมรู ป, ปธรรมทั้งหลายต้องมีลักษณะอย่างเนี้ยนามธรรมา ท, ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนี้แหละคืออันนี้จงังทุขังอนัตตาเราะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเห็นรู ป, ปธรรมนะเราเห็นนามธรรมอันนี้ยเรียกว่ามีสตินะถ้าเมื่อไร เห็นว่ารูปธรรมนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นว่านามธรรมตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อันนี้เรียกว่าเจริญปัญญาอยู่การทํำวิปัสสนากรรมฐานถึงต้องเห็นไตรลักษณ์เพราะนอย่างบางคนไปดูท้องพองดูท้องยุคเห็นอะไรเห็นท้องเห็นท้องม่ใช่เห็นตัวรูปธรรมใช่มไหมก็เป็นสมถะเท่านั้นเองเป็นการฝึกให้มีสติมีสติแต่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าปัญญามันทะลุลงไปอีกนั้นเห็นตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราตัวที่หายใจอยู่เนี่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ะ ตัวที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาดนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเรานะเบื้องต้นรู้ทันสภาวะรูปธรรมนามธรรมด้วยสติเบื้องปลายรู้รูปธรรมนามธรรมด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมนะั้นตกอยู่ใต้ใจรักในจิตใจเนี่ยถ้าเราไปจ้องอยู่ที่จิตนะหรือความโกรธเกิดขึ้นเราจ้องที่ความโกรธนะ ถ้าความโกรธ ด, ดับไปแล้วมันว่างๆเราจ้องอยู่ในความว่างนะอันนี้เป็นสมถะกรรมฐานนะเพ่งว่างๆนะไม่ไม่ใช่การเจริญพิปัสนาแต่ถ้าเราทำํำพิปัสนาเราจะเห็นเลยว่าโทสะเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาให้เกิดนะมันโกรธขึ้นเองเราไม่ได้เจตนามันเกิดได้เองเกิดแล้วมันตั้งอยู่ชัว่วขณะแล้วมันก็ดับได้เองเราก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับ บ, บังคับมันไม่ได้ ตรงที่เราเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะเราเห็นอนิจจ์นะเราเห็นว่าสิ่งซึ่งกําลังมีอยู่นะสิ่งที่เกิดมาแล้วกําลังมีอยู่กําลังถูกบีบคั้นให้ดับไปนะอันนี้เรียกว่าเห็นทุกขังนะเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับมันไม่ได้อันนี้เรียกว่าเห็นอนันาตตาเห็นอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วนะเห็นความจริงในระดับที่เห็นอนิจจงก็ใช้ได้เห็นทุกขังก็ใช้ได้เห็นอนัตตาก็ใช้ได้นะใช้ได้ทางนั้นแหละ ้เราต้องคอยสังเกตลงที่กายที่ใจเนืองๆนะสังเกตลงไปในร่างกายเห็นร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นเห็นร่างกายเป็นวัตถนะุเป็นวัตถุที่มาสร้างรูปกันขึ้นมาอย่างนี้นะบางคนก็มีรูปงามบางคนก็รูปไม่งามแล้วแต่กรรมจัดสรรนะเรียกกรรมพันธนะ์กรรมพันธนะุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุได้มรดกของกรรมมา เราก็บอกว่าพ่อแม่ต่างหาผลิตเรามาทําไมว่ากรรมพระพุทเจ้าว่ากรรมกรรมเราจัดสรร์นั่นแหละให้เรามาเกิดได้พ่อแม่แบบนี้แทนที่จะไปเกิดกับพ่อแม่สวยๆรวยๆนะเรามาเกิดกับพ่อแม่หน้าตาดูไม่ได้ยากจนอะไย่างเงี้ยอันนี้กรรมเป็นตัวจัดสรรค น, นะพอเรามาเป็นลูกคนนี้เราก็รับกรรมพันธุ์ทางวัตถุของคนนี้มานกรรมพันธุ์ทางใจของเราเนี่ยกรรมมันส่งมา นี่เราค่อยๆเรียนนะค่อยๆเรียนลงไปที่กายค่อยๆเรียนลงไปในใจของตัวเองเรียนบ่อยๆจนกระทั่งปัญญามันเกิดเห็นในร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นแต่ตัวทุกข์เห็นจิตใจนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีชั้งชั่วน้อแต่เกิดเราดับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเห็นไหมใจเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเอาขนาดนี้ใครรู้สึกเฉยๆบ้างยกมือสิยกมือยกมือ ขณะนี้ใครมีความสุขยกมือขณะนี้ใครมีความทุกข์ยกมือเออทุกข์เยอะขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้ทุกข์น้อยทํำไมทุกข์เยอะขึ้นนั่งนานนั่งนานแล้วชักทุกข์เยอะหรือว่าฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องใครฟังแล้วไม่รู้เรื่องยกมือหน่อยสิชื่อตรงยกมือเลยใครฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเมื่อวานนะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปส่งกันบ้านที่วัด มันแยกขันไปแล้วนะหน้าตาหน้าผ่องใสชีวิตที่เรามีปัญหาเลยแต่ว่าใจเนี่ยอยู่ต่าหากใจน่าร่าเริงใจเบิกบานแต่ชีวิตกําลังมีปัญหาเด็กนี่ก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเขามีซีดีอยู่แผ่นหนึ่งนะเขาฟังหนูฟังวันที่หนึ่งไม่รู้เรื่องค่ะหนูฟังวันที่สองจิตหนูก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะสองวันมันฟังอยู่สองวันเนี่ยเจอแชมป์แล้ว เรียนสองวันนะบางคนนะเรียนกับหลวงพ่อนินทาหน่อยนะพว ก, กรู่นสิทธ์รุ่นเก่าๆ เ, เนี่ยสิบปียังไม่ข้อแยกเลยนะเพราะไม่เอาแต่คิดมากไอ้เด็กนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมันอยู่ๆมันก็เปิดซีดีหลวงพ่อฟังนะฟังไว้นะพูดไหลไม่รู้เรื่องวันที่สองนะมันรู้เรื่องขึ้นมานะแล้วเห็นกากับใจที่แยกกันเห็นความรู้สึกทั้งหลายกับใจนี้แยกออกจากกันแล้วมันแยกแบบ งดงามมากเลยนะแยกแบบไม่ได้รักษาไม่ได้ประคองอะไรมันแยกอัตโนมัติเลยผาบอกหนูเห็นแล้วค่ะร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกหนูเห็นแล้วว่าความรู้สึกในใจเท่าไหร่เนะี่ยเกิดดับตลอดเวลาแต่ว่าพอหนูเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะงานเข้าเลยนะงานเข้าทันทีเลยแต่เดิมนนนะดเนี่ยทํางานทําอะไรนะสะดวกสบายเนี่ยพอแยกตัวนี้ปุ๊บนะบบปัญหาสารพัดเลยโหมเข้ามาใส่อุตรลุดเลย ถ้าหนูแยกตรงนี้ไม่เป็นนะั้นต้องคลั่งไปแล้วละ่ะประเภทตอนนี้นนะนี่สองวันนะเรานั้นจะมาบอกว่าหลวงพ่อสอนยากไปเนี่ยให้พี่ารณาตัวเองดีกว่านะไม่ยากหรอกนะเขาฟังสองวันย็รู้เรื่องนะรู้เรื่องนี่ไม่ใช่รู้แต่ความจํานะขันแยกได้อะเห็นขันแสดงใจรักได้ขันแยกได้นะเพราะอะไรเพราะจิตตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสติระลึกรู้รูปธรรมโดยจิตที่ตั้งมั่นมันก็จะเห็นว่าร่างกายกับจิตนักคนละนกันถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่นะเราเห็นความสุขทุกข์เกิดขึ้นมีสติระลึกรู้ความสุขทุกข์จิตตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องอยู่มันก็จะเห็นว่าสุขทุกข์กับจิตนักคละนกันนะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่นะเห็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นสติเป็นคนไปรู้ว่ามีกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นมีสมาธิอยู่ ก็จะเห็นว่ากุศ ล, ล, ลกับอกุศลกจิตน่ก็แยกออกจากกันได้นะแล้วได้เห็นจิตเองก็เกิดดับได้สติเป็นตัวรู้ทั น, นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยเขาฝึกสองวันเองทำไมมันง่ายเพราะเด็กคนนี้ไม่เคยเรียนกรรมฐานไม่เคยเรียนกรรมฐานเลยพเรียนกรรมฐานเนี่ยคล้ายๆเชื้อโรคดื้อยาะสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดเอาไว้เต็มไปหมดเลย ในสมองเนี่ยนะจะเต็มไปด้วยคําว่าทํายังไงถึงจะถูกทํำยังไงถึงจะถูกใครยังรู้สึกอย่างนี้บ้างวันวันตื่นขึ้นมาคิดทํำยังไงถึงจะถูกทํางไงถึงจะดีไหนโชติตัวหน่อยกล้ากล้าหน่อยหลวพ่อสังเกตนะพวกไหนยกก็ยกอยู่นั่นแหละถามอะไรก็ยกทุกทีได้พวกไม่ยกก็ไม่ยกอยู่นั่นแหละตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมตัวที่หัวเราะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้ารู้สึกไหม แต่เดิมเราเห็นร่างกายหัวล้อใช่ไหมนี่เราขยับขึ้นมานิด น, นึ่งแลไอ้ตัวที่หัวล้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าไอ้ตัวที่พยักหน้าเราพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายมันเป็นตัวพยักหน้าใจเราเป็นคนรู้สึกเนี่ยค่อยๆหัดไปนะแล้วไปเดี๋ยวก็จะรู้สึกแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่มันง่ายขนาดนั้นนะไม่ใช่เรื่องยากเย็นแสนเกล็นอะไรหรอก มันยากเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังถ้าได้ยินได้ฟังนะแล้วก็ไม่ใช่ฉาล้นถ้วยนะแบบใจเปิดจริงๆนะแป๊บเดียวก็เป็นแล้วละนะอย่างมีความสุขใครมีความสุขยกมืออีกทีสิสังเกตไหมความสุขตอนเนี้คนตอนที่มีความสุขตอนเนี้นะเยอะกว่าตะกี้นี้เห็นไหมเนี่ยใจของเรานะี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาสังเกตไหมความสุขเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าค่อยๆหัดตัว อ, อย่างนี้นะทีแรกก็รู้สึกว่าร่างกายยิ้ม ร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจแล้วก็รู้สึกถัดมาก็คือไอ้ร่างกายที่ยิ้มร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตแล้วถัดไปมันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรานั้มันจะเห็นเป็นสเต็ปไปได้นะค่อยๆพัฒนาไปหรือเห็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะทีแรกเราก็รู้สึกไมมสุขรู้สึกไม่ทุกข์สังเกตต่อไปอีกสเต็ปนึง เห็นไ้ยสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้ามันไม่ใช่ใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะเป็นอีกขันหนึ่งถ้าเห็นได้อย่างนั้นแล้วนะสังเกตต่อไปอีกเห็นไหมความสุขไม่คงที่เดี๋ยวก็สุขมากเดี๋ยวก็สุขน้อยเดี๋ยวก็หายไปเลยความทุกข์ก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็ทุกข์มากเดี๋ยวก็ทุกข์น้อยเดี๋ยวก็หายไปเนี่ยเป็นอย่างนี้นะตรงนี้เรียกว่าขั้นเจริญวิปัสสนาขั้นเจริญปัญญาละไม่ใช่เรื่องยากนะ ถ้ามันยากแล้วก็สมัยพุทธกาลควรที่ฟังธรรมจากพุทธเจ้าไม่บรรลุมากคผลกันเยอะแยะหรอกทําไมคนยุคโนอนบรรลุได้เยอะเพราะไม่เคยฟังธรรมะพวกเราฟังธรรมะมากไปจําไม่เยอะเกินไปนะสิ่งที่อยู่ในหัวของเรานี่แหละขวางขวางนะความจำนะันมันขวางการที่เรียนรู้ความจริงมันจําแล้วก็มันก็สรุปแล้วว่ารู้แล้วมันก็เลยไม่ยอมดูสภาวะ ถ้าเราคิดว่าเราแบงค์เราไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยครูบาอาจารย์บอกอเห็นร่างกายยิ้มไหยเอายิ้มหวานนะเห็นร่างกายรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มต่อไปก็เห็นไหมไอตัวที่ยิ้มกับใจมันคนลาอันกันนะเห็นไหมตัวที่ยิ้มมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันจะง่ายๆนะเรื่องง่ายๆเลยงั้นคนที่ได้ยินธรรมมาของพระเจ้านะ่ะก็มากจะอุทานแจมแจ้งนับพระเจ้าข้านะง่ายๆ เหมือนเปิดของคว่ำให้หงายนะมีอะไรคว่ำบ้างอ่ะแถวนี้มีแต่ของหงายเนี่ยเนี่ยเหมือนของคว่ำอย่างเงี้ยทําให้หงายไมไม่เห็นยากอะไรเลยนแต่ถ้าลดคว่ำทําให้หงายยากกันนะ <c oughs> แต่ทํำมาไม่ได้ง่ายอย่นะั้นหรอกพอไหวไหมเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าเมื่อกี้บอกว่าพอไหวไหมพยักหน้านะไม่เห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวหไหมไม่รู้สึกงั้นอย่ามาคุยอวดนะ เมื่อกี่ขาดสติแล้วล่ะอย่านึนกว่าไม่เห็นนะเห็นหน้าก็รู้แล้วนะเขั้นแรกรู้สึกรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกต่อไปก็สังเกตร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกกายกับใจคนละอันะต่อไปเขารู้สึกลึกซึ้งลงไปอีกนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเป็นของข้างนอกไม่ใช่ตัวเรานะ มีความสุขขึ้นมารู้สึกนี่เรียกว่ารู้ได้สตินะเห็นว่าความสุขกับจิตเป็นโคล่ากันนี่เป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ขึ้นมิปั ส, สนาแล้วเห็นว่าความสุขนั้นแปรปรวนไปไม่เที่ยงนะหรือความสุขเกิดเองดับเองบังคับไม่ได้เป็นอนัตตานี่คือนมิปั ส, สนาแล้วปัญญาก็มีหลายระดับนะปัญญาธรรมดากับปัญญาที่เป็นมิปั ส, สนาอย่างการแยกรูปนามได้เนี่ยเป็นปัญญาเบื้องต้นยังไม่ขึ้นมิปั ส, สนาแต่ถ้าเห็น สภาวะแต่ละอันแต่ละอนเกิดได้ดับได้ถูกบีบคั้นให้ดับไปแล้วก็บังคับไม่ได้นั่นเป็นมิปัสนาค่อยๆ ย, ย, ยกระดับคุณภาพใจของเราขึ้นมาที่แรกหาดรู้ด้วยสติให้ได้ก่อนเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายยินเดินนั่งนอนเห็นความสุขทุกเกิดขึ้นในกายเห็นความสุขทุกเฉยๆเกิดขึ้นในใจเห็นความดีเกิดขึ้นในใจเห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจ เห็นใจเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ <ör. S 1> เดี๋ยวก็เป็นผู้ชิดยอะไรเงี้ยเค่อยหัดค่อยคอยหัดรู้สภาวะไปต่อไาเขาค่อยขยับขึ้นมานะเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้สุขทุกข์ดีชั่วเป็นของถูกรู้จิตก็เป็นของถูกรู้นะจิตดวงก่อนเนี่ยถูกจิตดวงปัจจุบันรู้เมื่อกี้หลงตอนนี้รู้เมื่อจิตตะกี้หลงจิตตอนนี้รู้อะงั้นจิตก็ใช้จิตดูจิตแต่ว่าดูจิตดวง ก, ก่อนที่ดับไปแล้ว ดูด้วยจิตตรงปัจจุบันดูมากๆนะก็จะปัญญามันก็แกกล้าสุดท้ายจะเห็นได้ว่าทั้งรูปธรรมานามธรรมาเนี้ยเกิดแล้วก็ดับไปนะไม่เที่ยงในขณะที่ยังไม่ดับก็ถูกบีบคั้นให้ดับเนื่องมันเป็นทุกข์แล้วก็มันจะมีอยู่นะมันจะเกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่หรือมันจะดับไปสั่งมันไม่ได้นะเรียกว่านับตาเนี่หัดรู้มากๆนะปัญญาแกกล้าขึ้น จิตก็จะรู้ความจริงว่ารูปธรรมนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนี้ดูง่ายภาวนาวันสองวันก็เห็นแล้วรูปธรรมนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะบางคนเนี่ยถ้าบารมีเต็มนะไปเห็นครั้งแรกว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยอริยมรรคก็เกิดล้เกิดยอมรับความจริงได้พระโสดาบัตแล้วว่าตัวเราไม่มีนี่บางคนเคยได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องจิตไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราไปเห็นเข้านะในขณะที่ ศีล ส, สมาธิปัญญายัางไม่แก่กล้าพอแต่ปัญญามันล้ำไปเห็นนะจากการที่เคยได้ยินได้ฝังนะยังไม่ตัดนะมันคือเห็นนะยังไม่ตัดแล้วดูซ้ำหลายหลายทีไม่ได้คิดจะตัดมาขาดของมันเองนะอย่างนั้นถึงจะใช้ได้ตอนที่เป็นพระโสดาบันนีงก็จะรู้สึกนะว่าตัวเราไม่มีเวลาพูดถึงควมว่าเราเราหรือกูหรืออาตมาอะไรนะหรือไออะไรอนยะ่างนี้ จะรู้ด้วยว่ามันพูดด้วยโวหารความรู้สึกมีน้ําหนักแห่งความเป็นตัวตนหรือมีเงาแห่งความเป็นตัวตนเนี่ยในใจเนี่ยไม่มีเลยนะงั้นอย่างบางคนบอกเป็นพระโสดาบันแล้วบอกสังเกตดูสิมันมีเงาของความเป็นตัวตนเหลืออยู่นะมีไหมสังเกตดูมีมีไม่ใช่อะมันมีเงาได้ก็แสดงว่ามันอะไรยังมีตัวอยู่ใช่ไหมไม่มีตัวมจะมีเงาได้ไงล่ะมีเงาของความเป็นตัวตนซ่อนซ่อนอยู่ ถ้ากิเลสแรงขึ้นมาก็มีตัวตนชัดๆให้ดูนะถ้าตัวตนรุนแรงมากๆกลายเป็นตัวกูขึ้นมาเป็นตัวเซลล์จัดแรงมากๆหนะ่ค่อยๆสังเกตไปถ้าปัญญาแก่กล้าพอนะอาริยมรรคเกิดแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าขันทั้งห้าทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนมามธรรมไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันทั้งห้านี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันทั้งห้านี้ด้วย ไม่มีตัวเราในที่ใดเลยนี่เป็นปัญญาขั้นแรกนะได้เป็นพระโสดาบันต่อไปจะต้องตรัสรู้ได้พระอรหันต์แน่นอนแล้ได้โสดาบันแล้วไม่กลับมาเป็นบุตุชนอีกแล้วนะถ้าตายไปตอนเป็นพระโสดาบันล้วตายไปนะชาติหน้าไปภาณนาต่อไม่ต้องกลับมาเป็นบุตุชนอีกนะแต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจทํารมะลืมไปนะลืมแล้วอะไรมาสะกิดใจนิดเดียวแล้นกลับมาแล้วความรู้สึกนี้ก็คืนมารู้สึกขึ้นมา ตัวเราไม่มีหรอกค่อยๆฝึกไปนะพอปัญญาแกกล้าจริงๆมันจะรู้เลยว่าตัวที่มีคือรูปธรรมนามธรรมมันมีอยู่นะแต่มันมีเนี่ยตัวที่มีอยู่นี้เป็นตัวทุกรูปธรรมนี่แหละคือตัวทุกนมามธรรมนี่แหละตัวทุกถ้ารู้อย่างนี้แนละ้ว เ, เรียกว่ารู้ทุกแจ่มแจ้งแล้วที่พุทธเจ้าสอนนะทุกให้รู้ที่จะรู้ความจริงนั่นเองว่ารูปธรรม ท, ทั้งหลายเป็นทุกนมามธรรมทั้งหลายเป็นทุก เมื่อรู้ว่ารูาปธรมปมรมเป็นทุกข์จิตก็ไม่ยึดรูปธรรมเมื่อรู้ว่านามธรรมเป็นทุกข์จิตก็ไม่ยึนนามธรรมจุดสุดยอดของการปฏิบัติก็คือการเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์เนี่ยปล่อยจิตตัวเดียวนี่ยขันทั้งห้าถล่มลงต่อหน้าต่อตาเลยคือปล่อยที่จิตดวงเดียวนี่นะขันทั้งห้าเนี่ยหลุดทั้งหมดเลยจิตปล่อยขันห้าหมดเลยแล้วปล่อยโลกทั้งโลกเลยในขณะเดียวนี่ปล่อยที่จิตดวงเดียวนี่เอง แต่ยากมากที่เราจะเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์นะเราสังเกตไหมจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างตัวจิตเป็นตัวทุกข์นี่นะไม่ใช่จิตธรรมดาอย่างพวกเรานะมันหมายถึงตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลนะไม่ใช่จิตธรรมดาอย่างเนี้ยจิตอย่างนี้มันดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์แต่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะกว่าจะเห็นว่าเป็นตัวทุกข์นั้นไม่ใช่ง่ายเลยมันจะรู้สึกว่าเป็นตัวสุขเวลารู้สึกตัวรู้สึกไหมมันสุข รู้สึกไหมมันเบามันสบายมันโล่ง ม, มันว่างมันสว่างนะมันคล่องแคล่วปราดเปรียวมันแช่มชืนม่นไม่มีอะไรมารบกวนจะรู้สึกเป็นสุขเพราะงั้นตายไปก็ยังเกิดอีกยังยึดจิตอยู่นะอาศัยยึดจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวนะั้นไปสร้างขันใหม่ขึ้นมานะจิตนั้น <Xue> เหมือนเมล็ดของต้นไม้มีเมล็ดอยู่มเมล็ดเดียวนะเดี๋ยวก็งอกต้นไม้เต็มต้นขึ้นมาได้อีกเหมือนมีจิตยึดจิตอยู่ดวงเดียวนะั้นเดี๋ยวก็ไปสร้างขันใหม่ขึ้นมาได้หมดอีกนะ ดนั้นถ้าปล่อยที่จิต ด, ดวงเดียวได้ก็หลุดทั้งหมดแต่ตรงนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าข้ามขั้นค่อยๆฝึกตั้งแต่ฝึกสติเระลึกรู้รูปเระลึกรู้นามนะค่อยขยับพัฒนาปัญญาเห็นรูปนามแต่ละอันแยกออกกันแล้วถัดไปก็เห็นมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไม่ใช่ตัวเรานะล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขนะ์เป็นอนัตตาค่อยๆเรียนไปเมื่อไม่กี่วันเนะี่หลวงพ่อไปเทศต่างจังหวัดจำไม่ได้แนละ้วจังหวัดไหน ก็ไปเรื่อยๆนะจนไม่ได้จําเลยเทศเสร็จมีพระองค์หนึ่งมาบอกหลงพ่อ ว, ว่าเนี่ยท่านตัดครั้งที่สี่แล้วนะครั้งที่สี่แล้วท่านเห็นว่าจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยไปอ่านมาทนะําไมรู้ว่าไปอ่านมาหน้าตาเธอไม่มีสติเลยเวลามาเล่าเนี่ยผมเห็นเลยนะเนี่ยจิตมุ่นกับสิ่งแวดล้อมมันเป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยบอกโอ้เห็นแล้วกลัวว่ะนะ แล้วน่ากลัวมากเลยอย่าข้ามขั้นนะอย่ารีบเป็นพระรหลานอย่ารีบเป็นพระโสดาเป็นบุตุชนที่ดีก่อนนะรักษาศีลห้าฝึกจิตฝึกใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูธาตุดูขันมันนะทีแรกก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันด้วยสติแล้วพัฒนาขึ้นมาเห็นว่ามันไม่ใช่จิตลองเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าตัดไปก็เห็นเลยแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ฝึกให้มากพอนะอริมากจะเกิดเองอย่ารีบร้อน ถ้ารีบแล้ไม่ได้กินหรอกทําเหตุให้มากนะถ้าผลมีเองทําเหตุก็คือศีลศสิกขาจิตสิกขาปัญญาศิกขาแล้วผลนะก็จะได้อริยะผลขึ้นมามจะเกิดอริยามรกได้อริยผลขึ้นมาทุกสิ่งมีเหตุทั้งสิ้นดังนั้นทําเหตุไม่ใช่ทําที่ผลผลน่นเป็นของผลปล่อยได้คนไทยเก่งนะตั้งคําว่าผลปล่อยได้ผลน่นเป็นของปล่อยได้เท่งนั้นแหละมันปล่อยได้มาจากเหตุดังนั้นทำํทำก็ทําที่เหตุเท่านั้นแหละ พอใบไหมรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไปฟังซีดีเอานะเทศจีวันก็เทศเรื่องเดิมนี่แหละนะแต่พวกเราสาังเกตไหมฟังหลวงพ่อเทศก็เรื่องเก่านะแต่ความเข้าใจของเราไม่เก่าความเข้าใจของเรานะั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพอสมควรแก่เวลานะอาว่ามากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมาประมาณหกเดือนค่ะ โดยใช้วิธีพุโทโธดูร่างกายหายใจค่ะช่วงสามเดือนแรกหนูรู้สึกว่าหนูมีโลภะเจตนามากนะคะออก็เลยทำให้รู้สึกว่าเครียดแล้วก็แข็งออแล้วก็ประมาณสามเดือนหลังเนี่ยหนูให้พยายามผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นหนูก็เลยอยากถามหลวงพ่อนะคะว่าตอนนี้การปฏิบัติของหนูเป็นยังไงบ้างแล้วปฏิบัติให้มันสบายๆนะนะ เห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจจะพุทโธเอาไว้ก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกพุทโธพุทโธไปใจหนีไปคิดรู้สึกพุทโธไปรู้สึกกายรู้สึกใจถ้ารู้สึกใจได้ก็รู้สึกใจรู้สึกใจไม่ได้เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปปกติพุทโธเนี่ยเขาจะเอาไว้ดูใจพุทโธไม่ค่อยเอาไว้ดูกายหรอก ถ้าเปลียบพุทโธให้ดูกายเปลี่พุทโธพุทโธให้จิตสงบนะจิตรวมออกจากพุทโธมาแล้วเนี่ยมาคิดพิจารณ์กายเขจะทําอย่างนั้นแต่ปกติถ้าพุทโธเฉยๆเนี่ยจะดูจิตเพราะคําว่าพุทโธแปลว่าอะไรพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตนั่นเองงั้นอย่างเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตพุทโธแล้จิตนี้ไปคิดก็รู้พุทโธแล้วจิตไปหลงอยู่ในความว่างๆก็รู้อย่างนี้เรียกว่าเราพุทโธ พุทโธถูกแต่ถ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปให้จิตสงบไม่ยอมไปคิดนึกอะไรนะสงบออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยมาดูกายมาเจริญปัญญาแต่ตอนเจริญปัญญาไม่ได้มาพุทโธนะมาดูกายเนี่ยไม่ได้มาพุทโธหรอกแต่ถ้าเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยพุทโธได้ตลอดเลยพุทโธพุทโธพุทโธจิตมีความสุขแล้วรู้พุทโธพุทโธจิตสงบแล้วรู้จิตฟุ้งซ่านเรารู้ แต่ถ้าพุโทโธแล้วพุโทโธไปดูกายไปวุ่นวายนะจะเหนื่อยมันไม่แมตตกันไม่ใช่คู่ที่แมตกันแล้วหนูมีจิตตั้งมั่นบ้างหรือยังคะมีจิตเคร่งเครียดไปนิดหนึ่งแต่ดีกว่าเก่าเยอะละล่ะรู้สึกไหมมันคลายออกแล้วใจมันคลายใจมันเบาลงสว่างกว้างกว้างขึ้นรู้สึกไหมใจมันกว้างขึ้นมันดีขึ้นละ แล้วจิตเริ่มเดินปัญญาบ้างหรือยังค ะ, ะจิตเริ่มเดินปัญญาบ้างหรือ ย, ยังคะใชจเย็นสิให้รู้ว่าใจโลภของหนูมีปัญหาเรื่องโลภนะดูออกไหม<ะ>ให้รู้ทันใจที่โลภเราก็จะเห็นว่าไอ้ความโลภไม่ใช่ใจเรกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะนี่เริ่มเดินปัญญาแล้วหรือเห็นลึกซึ้งต่อไปอีกความโลภเกิดแล้วก็ดับความโลภเกิดเองดับเองเราไม่ได้เลือกได้ไม่ได้สั่งมันมาเองอย่างเนี้ยคือทีปรัสนานะ อย่าไป น, นึกว่าวิปัสสนายากนะทำอย่างที่หลวงาพาอสอนนะไล่มาเป็นลำดับนะเดี๋ยวก็เป็นดีขึ้นนะในภาพรวมก็คือเพ่งน้อยลงบังคับน้อยลงนะแต่มันยังมีการบังคับอยู่ก็ค่อยรู้ทันเอาเห็นไหมร่างกายพยักหน้าไม่ได้เห็นแบบไปตึงๆนะเห็นแค่รู้สึกแค่รู้สึกยิ้มหวานซิ เนี่ห็นไหมพอยิบมปุ๊บใจมันเคลียออกด้วยรู้สึกไ้มใจมันคลายตัวออกนั่นแหละเรียกว่าเรารู้สึกกายรู้สึกใจได้เห็นไหมเนี่ยรู้สึกไปอย่างเงี้ยเอาต่อไปครับตื่นเต้นมากก็ตื่นได้นะห้ามเต้นก็รู้สึกว่าตัวเองช่วงหลังเนี่ยมีโทสะเยอะมากคือเหมือนกับว่า อะไรนิดอะไรหน่อยก็หุดหงิดไปตลอดเลยเมื่อก่อนติดเพ่งอยู่หรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจมันมีหลายแบบนะพวกหนึ่งเพ่งมานานพอหลุดจากการเพ่งเนี่ยโทสะมันขึ้นอีกพวกหนึงนะ่งเนี่ยเมื่อก่อนก็มีโทสะแต่ไม่เคยเห็นคือผมก็ไม่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนหนะึ่งอาจจะโทสะก็ขึ้นนะแต่มันไม่เห็นก็ได้ช่วงแรกๆที่ฟังหลวงพ่อแล้วก็ ทดลองปฏิบัติดูก็เข้าใจว่าตัวเองน่าจะแยกธาตุแยกขันได้ดแต่มาช่วงหลังเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่มันไม่ชัดเจนเหมือนช่วงแรกแล้วก็ความหมงุดหงิดความโกรธมันมันถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นแค่เหมือนกับเราเดินไปเนี่ยแล้วก็มีคนมาเดินมายืนขวามามาเดินขวางเนี่ยเราก็โกรธนะ พอเดินแซงเข้าไปแล้วก็โกรธเขา อ, อีกว่าทําไมเขาเดินช้าจังอะไรคือแบบมันโกรธแบบไร้สาระมากเลยครับมันไม่ใช่ของเราหรอกนะครับบางทีพลังงานที่ไม่ดีมันบิ้วเรานะงั้นวิธีการเนี่ยเราบริกรรมเนรเจริญเมตตาอะไรของเราไปเรื่อยๆมันไม่มันไม่ใช่ตัวเราหรอ ก, ร, กรู้สึกไหมรู้สึกไหมมันไม่ใช่เราหรอกครับนะพยายามดูลงไปนะตัวที่โกรธมันไม่ใช่เราหรอก ดูอย่างนี้เรื่อยๆมันไม่เมตตาสักทีคือพยายามจะให้เมตตามันมันกับไอเรื่องที่เราโกรธมันกับแบบคือมันมันดูหยุมหยิมไร้สาระใช่ไหมคือดูว่ามันมันเกิดแล้วมันก็หายไปแต่มันมันก็เกิดขึ้นมาถี่มากเกิดมาแล้วหายเกิดเกิดดับดับไปอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกบางทีก็ลาคาญตัวเองบางทีก็ลาคาญ ที่มันเกิดบางทีก็โกรธตัวเองว่าทําไมไปโกรธอีกอะไรอย<ด>่างเงี้ยดูในมุมของความเป็นอนัตตาไป น, นะครับมันโกรธได้เองเวลามันโกรธขึ้นมานะขอบใจเนี่ยขอบใจนะสอนธรรมะเราละเห็นไหมโกรธได้เองดูในทางบวกไปเลยนะอย่าไปดูว่าเฮ้ยโกรธอีกแล้วโกรธอีกแล้วมลโมโหตัวเองหนักเข้าไปอีกนะนะต้องสรรเสริญความโกรธนี่อุตสาหแสดงธรรมะใ้เราดูนะรู้สึกไหมมันโกรธขึ้นมาเอง S <S สอนมันไปเรื่อยๆนะว่ามันเป็นอนัตตามองในมุมของอนัตตาไว้เพราของคุณเนี่เป็นพวกปัญญากล้านะดูอันนี้จังทุกขังดูไม่ลงหรอกดูอนัตตาไว้ออีกข้อสั้นๆถ้าสมมุติว่าเราป่วยแล้วเหมือนกับมันไม่รู้สึกตัวอย่างเงี้ยเวลาตอนตายนี่มันจะเป็นไงคือตอนที่แม่ผมตายเนี่ยเขาเป็นโรคตับแล้ว ทำให้เขาหมดสติไปเนี้ยก็พยายามเอาธรรมะไปเสียบซาเบาให้ท่านฟังแต่ไม่ทราบว่าตอนเสียแล้วมันจะช่วยอะไรหรือเปล่ามันต้องดูอย่างนี้ด้วยว่าเขาชอบฟังหรือเปล่า <c oughs> ถ้าไปเสียบอุ้ยลำคาหนักกว่าเก่าอีกอย่าไปกลัวอย่างนี้เราพานานะถึงเวลาที่จะตายจริงๆเนี่ยชิดมันตัดความรับรู้ทางกายออกไปก่อน ถึงไงมันก็ลงมาเหลือใจอันเดียวไม่รับรู้ภายนอกแล้วละนะแล้วตรงนั้นอ่ะจิตเคยชินยังไงจิตก็ไหลไปอย่างนั้นแหละนะั้นถ้าเราเคยชินจเจริญสติจเจริญปัญญาอยู่เรื่อยเวลาจะตายนีนิมิตมันจะเกิดเนื้ออาคุศลส่งผลมานิมิตเห็นนรกนะใจกลัวเราเคยฝึกดูใจชํานาญรู้ว่ากลัวนะ สติเกิด น, นะนรกแตกโรงนั้นเลยนะมันอยู่ที่ว่าเราฝึกไว้จนชํานาญได้ขนาดไหนอย่างที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยไม่น่าห่วงอะไรเท่าไหร่หรอกถ้าเราคอยหัดรู้หัดดูเนืองๆนะอย่างเวลาลดความลดไงเวลาเกิดอุบัติเหตุเวลาอะไรเนี่ยจิตมันดีด ต, ตัวผางออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะงั้นในขณะที่จะตายจริงเนี่ยจิตจะเด่นดวงขึ้นมานะ่ะ ไม่ค่อยเป็นอันตรายจริงแะถ้าตายก็ตายดีไม่ต้องกลัวหรอกไม่เชื่อลองดูมาสการ์นะคะบางทีนะฟังเทศน์นี้เทศสอนสอนสอนไปเขาไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งตายหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งตายไปแล้วนะบางทีมาเทศน์นี้เดินเดินไปเห็นมานั่ง ว่ายอยู่น ะ, ะตามันตามันว่ายเป๋ไปเองก็ได้นะเทศเสร็จล้วตาฝังเห็นคนนี้มันนั่งอยู่ออหน้าตาผา่องใสดีอะไรเงี้ยอ่าค่ะ อ, อ่าคือหนูเคยนั่งมาก่อน <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็นั่งอยู่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูเคยปฏิบัติแล้วก็ <c oughs> มันห่างหายไปอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มาในช่วงหลังนี้ช่วงที่ห่างหายไปมันตายไปแล้วะเอาปัจจุบันปัจจุบันหนูไม่ไม่ได้นั่งคือเหมือนเหมือนหนูไม่ได้ตั้งใจจะนั่งแต่ว่าอาจจะมีที่หนูรู้สึกบ้างเป็นบางขณะอย่างเนี้ยค่ะคือคือเหมือนอื <laughs> มงานวินทยาลัยคือคือเหมือนกับแบบบางที่มันก็แวบ แวบๆมาแล้วมันก็แวบๆไปอย่างเนี้ยค่ะคือก็อยากจะนั่งแล้วก็ปฏิบัติให้มันได้เหมือนเหมือนที่เคยทํามาแต่แบบบางทีมันก็เหมือนจิตมันไม่สงบนิ่งอะค่ะเหมือนไม่ได้ฝึกให้สงบนะหนูพ่อสันบ่อยๆเราไม่ได้ฝึกเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขล้วฝึกให้รู้ปัจจุบัน ขาณะนี้ตื่นเต้นรู้สึกไหมรู้สึกค่ะรู้สึกไหมมันตื่นเต้นเองเราไม่ได้อยากตื่นเต้นรู้สึกค่ะตัวนี้แหละคือตัวธรรมะคือหนูก็รู้สึกแบบนี้อยู่ตลอดเพียงแต่ว่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูรู้สึกถูกไหมถูกหนูรู้สึกไหมว่าขันมันแยกได้รู้สึกไหมกายกับใจมันโคล้านใช่ค่ะหนูรู้สึกแต่ว่ารู้สึกไหมสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็โคล้านรู้สึกค่ะนั่นแหละดีแล้วหนูมาถูกทางหรือยังถูก แต่ตอนนี้ตื่นเต้นเหนือหัวใจวายไประวังหนูตื่นเต้นมากจริงๆนะนะขันหนูแยกแล้วล่ะโอยถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วมอ้ยเลยน่าสงสารคือวันนี้หนูเป็นครั้งแรกที่หนูได้มาเจอผ้าจานนะคะหนูเคยได้ยินผ้าจา์จากในยูทูบบ้างแต่หนูเป็นสังเกตนะ ร่างกายกับใจอขโคนละอันสุขทุกข์ดีชัว่วกับใจอขโคนละอันนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นนะสุขทุกข์ดีชัว่วมันมาเองไปเองดูอย่างนี้เรื่อยๆนั่นแหละปฏิบัติละนะนี่หนุมก็ปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมใช่ <c oughs> แต่ว่าต้องถือสีน 5, นะ่ห้านะทุกวันต้องทำในรูปแบบสักสิบห้านาทีจะ <c oughs> ทำให้จิตมีพลัง ถ้าเจริญสติในชีวิตรประจำวันรวดไปเลยนะถึงจุดหนึ่งจิตไม่มีแรงดูไปแบบป้อแป้ป้อแป้ปปไม่มีแรงะอ่ะต่อไปนักประสาการค่ะพระอาจารย์ค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะก็ที่ผ่านมาเจริญสติในชีวิตประจําวันค่ะแล้วก็หลงบ่อยค่ะอ<ม>ืเข้าใจว่าออ กายกับใจเป็นคนละอันกันม่ทราบค่ะแต่ยังยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีดูไตลักค่ะเอกวัลขอคำแนะนำด้วค่ะเห็นไหมไอตัวเนี้ยมันเคลื่อนไหวเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้าเห็นไหมมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะมันถูกรู้ถูกดูอย่างแก้วเนี้ยเป็นของถูกรู้ถูกดูใช่ไหมเห็นแก้วเป็นเราไหมไม่ค่ะแล้วถือไมโครโฟนอยู่ไมโครโฟนเป็นเราไหมไม่ค่ะเพอะไรมันไม่ใช่อะมันของน่องอะเห็นเห็นอยู่ ร่างกายนี้เป็นของข้างนอกรู้สึกไหมรู้สึกขาดนั่นแหละร่างกายเป็นของข้างนอกเราใช้ได้แล้วถูกแล้วควรขอการบ้านเพิ่มเติมค่ะทําบ่อยๆดูบ่อยๆดูกายัวใจะเห็นมันทํางานไปเห็นมันไม่ใช่ตัวเราต้องเพิ่มการทําในรูปแบบไหมคะในรูปแบบทําทุกวันได้นะยิ่งดียจะไม่ต้องเพิ่มยาวนานจนเหน็ดเหนื่อยทําพอดีพอดีบางคน ขั้นต่ำมาะสิบห้านาทีขั้นสูงไม่จํากัดแต่ถ้าทําในรูปแบบจนกระทั่งไม่อยากมองโลกข้างนอกอยากปิดประตูตตอยู่คนเดียวอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนะเนี่ยติดในความสุขความสงบพานาผิดแล้วถ้าเราพอวนาถูกเนี่ยเราไม่หนีโลกหรอกเราจะอยู่กับโลกเราเรียนรู้โลกนี่แหละแต่โลกย้อมใจเราไม่ได้ไม่ทราบว่าหนูติดปัญหาอะไรต้องแก้ไขอีกไหมคะอย่ายกลัวนะ มันต้องมีตลอดสายของการปฏิบัติถ้าไม่ติดเป็นพระอรหั น, นต์ไปสเต้าติดไปก่อน <Okay. S 2> ติดน้อนติดนี่ไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามาถูกทางแล้วละ่ะมาได้ดีเขาขึ้นค่ะนมรส ก, การหลวงพ่อส่งงานบ้านครั้งสุดท้ายหลวงพ่อให้ไปพิจารณากายเ อ, อปกติในชีวิตมันผมใช้ภาวนาพุโทโธแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นพุโทโธแล้วเป็นสมถะหรือเปล่าที่ใช้ได้อยู่ครับ สมาธิก็ใช้ได้นะขันก็แยกไปทำต่อไปไม่ได้มีปัญหาอะไร ห, หรอกออพินายกายนี่มันถึงพ่อมันถึงว่าเราแยกเร า, า, ายแยกนะนแล้วถ้า <ๆ S 2> เราเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรากายเป็นตัวทุกข์เป็นอะไรอย่างนี้น ะ, ะอย่างนี้เราไม่ต้องคิดแต่ถ้าเห็นร่างกายแล้วใจก็เฉยนิ่งเลยเห็นแต่ร่างกายเหมือนเรานั่งจ้องโต๊ะตั้งจ้องเก้าอี้อะไรอย่างนี้อันนี้คิดพิจตรา คิดพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นไตรลักษณ์แต่ถ้ามันจิตมันไปเห็นแล้วเนี่ยไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องคิดคือผมแยกเป็นอะไรผมขนเล็บฟันหนังอะไรเป็นยังไงครับแยกไปแล้วต้องดูอย่างนี้นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกไม่ใช่ตัวเราครับนะต้องดูอย่างนั้นอีกทีไม่งั้นมันจะเป็นการเพ่งกายยะทะตาสติแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกอาการสามสิบสองเป็นสมถ t อ a กมฐานเะพราะอะไรเป็นตรการเห็นตัวรูปมัน เนการเพ่งตัวจรูปผมคนเล็บฟันห น, นังในส่วนของรูปธรรมไม่ได้เห็นใจรักนะนี่ทําไมใจไม่ยอมดูใจรักถ้าใจมันไม่ยอมพิจารณาร่างกายผมผมเล็บฟันหนังเป็นใจรักนะคิดพิจารณาใจรักลงไปคิดก่อนผมนี่ไม่ใช่ตัวเรานะผมมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะติดอยู่ในหนังหัวอย่างนี้นะหลุดออกมาก็าล่วงไปกลายเป็นดินอะไรอย่างนี้คิดอย่างเนี้ย หรือว่าผมมันก็เปลี่ยนสีไปมีแต่ความไม่เที่ยงหนือมันยาวยาวออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคิดอย่างเนี้ยคิดพิจารณาเพื่อให้จิตมันหัดมองไตรลักแต่ถ้าจิตมันมองใจลักแล้วหยอกไปคิดนะมันไม่เป็นวิปัสสนาขนาที่คิดให้เป็นอูบายเพื่อไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยเท่านั้นเองแล้วเราจะสร้างได้ไงครับหลวงพ่อว่าเรายัางยังติดนิ่งติดเฉยอ ย, อยู่หรือว่ามันหลุดออกมาแล้วอน่ยดูซิว่ามันจเจริญปัญญาได้เปล่า มันดูใจลักษไหมหรือมันดูแต่รูปประธรรมนามธรรมถ้ามันเพ่งแต่รูปเพ่งแต่นามนะก็ติดสมถะนั่นแหละใจมันจะเฉยๆฉยใจมันมีมันรู้มันทีมันจะนิ่งๆอย่างครับนั่นแหละนั่นแหละติดสมถะอยู่เมื่อต้องไปพิจารณาร่างกายนะไม่ใช่พิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังนะเอออย่างนั้นเป็นสมถะนี่อาการสามสิบสองให้ดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะครัวอย่างนี้เรื่อยๆไปความทุกข์มันบีบอยู่ดูออกไหมล่ะดูออกครับพี่หลวงพ่อบอกว่าก่อนที่เราจะขยับตัวให้เรารู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันเป็นทุกข์อยู่ตอนไปมันจะรู้สึกเองนะว่าไอ้เนี่ยเป็นตัวทุกข์นะจะเดินปัญญาของมันเองคนที่ทําสมาธิมากนะไม่ต้องเห็นทุกข์นะไปเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาอะไรเนี่ยมันไม่ถึงใจ เพ้นถ้าเราทำสมาธิมากๆเราเห็นกายนี้เป็นตัวทุกข์เนี่ยอันเนี้ยเครียกว่ามันแมทกันมจับคู่ถูกงั้นดูไปนะมีแต่ตัวทุกข์ดูไปเรื่อยๆหลวงพ่อแล้วอีกอั่าก็คือว่ารู้สึกบางทีมันเราเบื่อทั้งโลกเงี้ยเหมันกระติกหลวงพ่อเทไปเมื่อคืนนี้เลยเบือเบือบอบ่อตัวนี้ยังมีโทสอะอยู่ยังเชื่อโทสะอยู่ให้รู้ทันนะอยากให้ความเบื่อครอบใจ เหมือนมันอยากจะไปอยู่คนเดียวไม่อยากอยู่กับคนอืนเงี้ยมันจะเกลียดอันหนึ่งจะไปเอาอีกอันหนึ่งอันนี้โทสะถ้านี้พิทานะมันจะเบื่อทุกอย่างเท่ากันนะเบื่อสุขเบื่อทุกข์เหมือนกันหมดเลยมันไม่ใช่ว่าชอบอันนี้เกลียดอันนี้ไปชอบอีกอันนึ่งเบื่อภรรยาอยากไปจีบหาเมียใหม่แล้วบอกนี่พิธาไม่ใช่นะไออ้นั้นเรียกว่าโลภมากแล้วไม่สนโดดละ อย่างถ้าชอบอันหนึ่งเกลอันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อันนี้โทสะละเบื่อด้วยโทสะกลับมาคุณครับไปดูนะมีแต่ตัวทุกข์กลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะก็ปฏิบัติโดยการเจริญเมตตาค่ะแล้วก็มีดูลมหายใจบ้างค่ะเจริญเมตตาไปแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจนะใจสุขบ้างใจทุกข์บ้างใจโมโหบ้างใจไม่โมโหบ้างสังเกตไ้มเราขี้โมโห ใช่ค่ะนั่นแหละดีทํำกรรมฐานถูกจริตค่ะแล้วก็สังเกตรประมาณเกือบเดือนแล้วค่ะเวลามีการเรียนรู้จะเกิดไหวๆ ม, มันมันไม่มันยิ่งกว่าไหวๆค่ะ ม, มันเหมือนมีอาการกระตุกอะคะ่ะกระเพิ่มแรงอะคะ่ะรู้สึกได้ถึงกายมันกระตุกกระตุกออกมาถึงร่างกายเลยเนาะถึ ง, ถ, งถึงตรงหน้าอกค่ะเออนั่นแหละอยู่ที่หน้าอกนะ ใช่ค่ะหลวงตามมหาบัวหลงสอ น, นอทำแทกเกิดขึ้นกลางอกกุศลก็เกิดขึ้นกลางอกนี่อกุศลก็เกิดกลางอกมรรคผลก็เกิดขึ้นกลางอกนี่แหละมันก็ไหวๆอย่างนี้แหละมันช่วงช่วงนี้มันจะแดงอะค่ะหลวงพ่อเออถ้ามันเหนื่อยต้องกลับมาทําสมถะนะถ้าเห็นไหวๆกลางอกนี่เห็นแต่ทุกเนีย่ยรู้สึกว่ทุกไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ทุกนะใจเขาจะหมดแรง ก็ให้ทำความสงบมาจเจริญเมตตาไปเลยไม่สนใจไหวนี้ไปช่วงหนึ่งทำความสงบก่อนพะใจมีเรื่องมีแรงแล้วก็กลบกับมาดูใหม่ค่ะเราก็สังเกตว่าถ้าจิตได้เรียนรู้อะไรอะค่ะมันก็จะเหมือนโดนกระแทกอ ะ, ค, ะค่ะค่ะมันโดนกระแทกทั้งวันตามองเห็นนะไอ้ตัวนี้ก็กระเถือนอูได้ยินเสียงอันี้ก็กระเทือนนะใจคิดตัวนี้ก็กระเทือนนะ นั้กระทบแล้วก็เตือนตลอดในกระทบทางตาหูจมูก ล, ลิ้นกายใ จ, ใจมันก็เถือนเข้ามาถึงใจถ้ากระทบแรงนะถ้ากระทบเบาๆก็ไม่ไม่ถึงใจค่ะแล้วก็เห็นจิตมีมีขอบเขตแล้วก็มีผนังอะค่ะเหมือนมีอะไรหนาหนาถูกถูกมัน <ะ S 2> ถ, ถ, ถูกขังอยู่นะตอนหลวงพ่อไปเห็นทีแรกนะโอ้ยนี่เราติดคุกอยู่ในว่าอึดอัดมากเลยนะถามครูบาอาจารย์เนี่ยผมถูกขังเหมือนอยู่ในแคปซูล ท่านบอกไม่เข้าใจเนี่ยเราดูนะเหมือนอยู่ในไหประแดกนะเปรียบคนละแบบนะเราคนเมืองเราบอกเหมือนอยู่ในแคปซูลท่านบอกไม่เห็นจะเหมือนแคปซูลเลยเหมือนหประแดกนะเหมือนถูกขังอยู่ออใจมันรู้ว่าถูกขังแล้วมันยอมไม่ได้แนละ้วต้องสู้เพราะว่าเรื่องอะไรจะถูกขังไปตลอดชีวิตตัวที่จะทาให้มันแตกได้นะโครงขังอันนี้ คืออริยมรรคเท่านั้นตัวทําให้แตกไม่ได้เลยแตกครั้งที่หนึ่งนะก็เข้ามาปิดอย่างรวดเร็ว เ, เลยซ่อมตัวเองอย่างรวดเร็ว เ, เลยครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็ซ่อมตัวเองอีกครั้งที่สี่ถึงจะแตกสลายไปนะทุกครั้งอย่างนี้แหลดีแล้วล่ะ mm hmm. เดินปัญญาได้ละเอียดแต่ว่าจะต้องอย่าทิ้งสมาธินะะถ้าทิ้งสมาธิพอเดินปัญญาอย่างนี้ทุกมากเลยทุกทนไม่ไหวเลยก็มีเห็นจิต กำแพงบางทีมันก็รู้สึกว่ามันมันขยายขอบเขตนะคะแต่เราก็ยังมีขอบเขตอยู่ว่ายิ่งเราแผ่ความรู้สึกออกไปนะกำแพงก็ยืดออกไปได้นะอ๋ อ, อไม่มีทางทะลุมันเลยค่ะค่ะเราก็ข อ, อกันบ้า น, นะคะ่ะไปดูต่อ <c oughs> ดูจนแหกคุกได้แหละถ้าดูมาเห็นตัวนี้แล้วน่าจะรู้เลยไหมอยู่เฉยไม่ได้ลนะรู้สึกไหมรู้สึกค่ะอยู่เฉยไม่ได้ลนะถูกขังเรื่องอะไรเกิดมาเหมือนไก่ ไก่ที่เขาเลี้ยงอ่ะเกิดมาก็ถูกขังมาตลอดเลยตอนนี้รู้สึกแล้วว่าถูกขังแต่เดิมไม่รู้เมื่อรู้แล้วมันก็ต้องแหกคุกละอนี่แหกคุกก็ด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละพลาเราออกจากวัฏตะน่ากลัวนะมันถูกขังอยู่เลยถูกห้อมล้อมอยู่ด้วยอาสวะกิเลสวัตฏะก็หมุนอยู่กลางอกนี่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่อยู่ไม่ได้แล้วดี นวักนวนิษานค่ะหลวงพอ่อวันนี้ตั้งใจจะมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่อคะเพราะว่าหนูเพิ่งจะฟังซีดีได้ยังไม่ถึงสองเดือนนะคะก็รู้สึกการเปลี่ยนแปลงของจิตใจค่ะขันมันแยกแล้วค่ะแล้วก็จากที่ไม่เคยรักษาสินก็รักษาสินได้ค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเป็นแล้วก็มีความศรัทธาในพระบุพเธรรมอะ นี้ก็คือจะมาขอคําเมตตาชี้แน่จ้กหลวงพอ่อการปฏิบัตินะคะก็คือช่วงเดือนแรกๆคือหนูก็จะเหมือนกับว่าสร้างพบนักปฏิบัติขึ้นมานะคะก็จะเพ่งจะหาข้อมูลเลยค่ะเยอะทีนี้พอฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆก็จะรู้เหมือนได้คําตอบอะคะ่ะว่าเราเตือนา ม, มากไปเลยะคะ่ะทีนี้เรามาันตอนพอมาเดือนเนี้ยค่ะใจมันก็คลายคลายแล้วะคะ่ะแล้วก็เวลาใ น, ในชีวิตประจำวันก็คือการปฏิบัติก็คือจะเดินจงกรมกับ นั่งสมาธิอะค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าคือมันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างอ่างเงี้ยค่ะแ้วก็จะใช้ฟังฟังหลวงพ่อเทพไปด้วยได้ได้ไหมคะได้เวลาเต็นจงกลมก็เวลาจิตไหลไปคิดก็รู้อะไรเงี้ยค่ะพาะนาถูกแล้วละหนะยุดทิดสิหันหน้าไปนนทเ <laughs> นี่ยสองเดือนใครดูเป็นบ้าง <c oughs> านั่งลง ก็ถูกแล้วนะค่ะคือคือหนูจะปรึกษาหลวงพ่อว่าหนูจะปฏิบัติยังไงต่อเพราะว่าหนูเคยหนูเคยนั่งสมาธิค่ะแล้วก็พิจารณาอสุภะค่ะหนูก็เห็นภาพผู้หญิงอ่าเหมือนคือป้หนูไล่ผมอะไรเงี้ยมาผมมันก็ล่วงอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เห็นขนล่วงอะไรอยงี้แล้วก็เห็นจนหน้าปับบเดียวแล้วก็เห็นเป็นกระดูกอะค่ะแต่แต่คือมันก็มีใจบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เลยรู้ว่าเออใจมันยังไม่เรา เราเคยสร้างในทางพิณาสุภามาน ะ, ะได้สมาธิสมาธิเราดีแล้วละ่ะแต่อไปเนี้ยเราดูา่าดูขันันไปที่มีสมาธิมีอะไรก็เพื่อจะได้มีแรงมาดูท่าดูขันนี่เองงั้นต่อไปนี้ดูของจริงในตัวเนี้ยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต<อ>นที่ภาว น, นาถูกอ๋อค่ะหนูก็คิดว่าหนูคิดคิดไปคิดมาเนื้อว่าคิด คิดเห็นภาพไปเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นนิมิตค่ะเป็นนิมิตจากการที่เรามีสมาธินะไปดูกายหลวพเคยดูนะไปเป็นแล้วก็เมื่อไม่กี่วันนี้ก็จะเห็นเข้ามาที่ตัวเองแล้วค่ะเห็นว่ามันเป็นเั้นเวลาเวลาจะทําสมถะเนี่ยนะให้ย้อนมาทําอย่างนี้แหละอย่างนี้ได้ใช่พิณาสุภานะแล้วก็พอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็เอามาดูธาตุขันมันทํางานต่อใช้ตัวนี้ทําสมถะ เนชีวิตประจำวันก็จะเริ่มเห็นตัวเองโกรธมันมันเริ่มไหวๆที่ต้องการแล้วนั่นแหละถูกละโมสองเดือนเก่นหลวงพ่อก็ดูแต่หลวงพ่อดูกายแต่ก่อนนะเคยดูเป็ือนกัน แ, แต่ไม่ได้ดูแลเห็นปฏิกูลสุภาดูแลเห็นมันสลายตัวมระเบิดไปหมดจนกระทา่งเหลือแต่กระดูกเป็นเกล็ดเล็กๆเๆมันสลายเป็นแสงไปเลยรู้ว่าร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราเหรอก ตอนนี้ตอนนี้มันจะเห็นกระดูกในตัวเองแล้วถูกแล้วเป็นโปร่งๆข้างในมีอวัยวะอะไรนะแล้วต่อไปเนี่ยความรู้สึกอะไรแทรกซ้อนก็รู้เอเนี่ยอาศัยกายเป็นฐานไว้เนี่ยแหละแล้วเห็นจิตกระดูกกายไปดูกกายเอากลายเป็นฐานนะแล้วสิ่งที่จะเห็นนี่ยไม่ใช่เห็นกายแค่นี้หรอกเพราะกายเนี่ยมันรู้ง่ายมันเห็นแล้วล่ะว่ากายไม่ใช่เราแล้วมันจะไปเห็นจิต เห็นไหมจิตมันทํางานได้เองเห็นไหมกุศลและกุศลเกิดได้เองก็จะเห็นมันผ่านมาผ่านไปถูกค่ะถูกเห็นสุขแป๊บหนึ่งมันก็หายไปถูกแป๊บหนึ่งก็มาเริ่มไปทำตอบไปค่ะทําถูกแล้วค่ะนี่สองเดือนกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะปฏิบัติมาสองปีกว่าแล้วค่ะครั้งนี้ทรงกระมากเป็นครั้งแรกก็เริ่มจากการดูท้องพองยุบค่ะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเห็นการเกิดดับค่ะแล้วก็ เห็นธาตุในร่างกายเกิดดับค่ะแล้วก็การเกิดดับก็เห็นถี่ขึ้นเห็นการเกิดดับของโทรศัโมหะโลภะที่มากระทบผัสสะที่มากระทบค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เน้นตัวรู้ไม่ได้มีรูปแบบค่ะอาจารย์รู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับไปไเรื่อยๆสังเกตรตรงนี้ว่าไอ้คนที่ไปรู้หรือจิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยเราประคองไว้หรือเปล่า ตอนนี้เราเห็นแล้วรูปธรรมเกิดดับรูปธรรมเป็นทุกข์ไม่ใช่เรา น, ะนมามธรรมเกิดดับไม่ใช่เราแต่จิตที่เป็นคนดูเ น, นิ่งนิ่งอยู่หรือเปล่า<ม>ถ้าจิตที่เป็นคนดูนิ่งๆิ่งเฉยอยู่ได้ทั้งวันแบบเหมือนตอนนี้นะอย่างนี้ไม่ถูกนะมันเหลือตัวที่เที่ยงอยู่ตัวหนึ่งนะอย่าไปจับตัวรู้ไว้เพราะปล่อยให้มันเป็นตัวรู้บ้างเป็นตัวเผลอบ้างนะดีกว่าเป็นตัวรู้ตลอดเวลาแล้วแข็งแข็งอยู่ ถ้าจะติดก็ติดที่ตัวรู้ที่ตัวเดียวแล้วตัวอื่นนั้นแสดงไตรักได้แล้วอย่าไปจับตัวรู้ไว้คือว่าพอเราเห็นจิตเกิดดับแล้วมันมีจิตที่เป็นตัวรู้อีกตัวหนึ่งนี้ไอตัวนึงมันมีตัวหนึ่งนิ่งๆอยู่ไอตัวรู้ที่นิ่งๆเนี่ยอย่าไปรักษามันไว้ให้มันตายๆไปซะบ้างไอตัวนี้แหละตัวแสบ คค่ะขุณสุดท้ายนะปัจจามันจะเกิดม่เห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ยกเวนจิตผู้รู้ใช่ค่ะเที่ยงเพราะฉะนั้นไม่ผ่านโสดาค่ะก็เห็นตัวนี้เกิดดบได้ด้วยค่ะต่อไปนี่ก็ชีโมโหเห็นหน้าก็รู้แล้วว่ามาก็โยมจะมาถามหลวงพ่อเนี่ยหาะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโยมจะรู้สึกว่าตัวเอง ไม่ค่อยได้ make progress มากเท่าที่ควรและเท่าที่ควรในหมายเพาะว่าบาง ท, ทีเราฟังคุณเนี่ยโทรศัพท์ล ะ, ะไม่ได้อย่างใจแล้วโยมจะรู้สึกว่าเพราะว่าโยมอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะที่อเมริกาโยมจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปรึกษาใครเพราะนั้นโยมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าไอ้ที่โยมพยายามทำพยายามดูพยายามอะไร ข, ขันแยกแล้วนะขันแย ก, นะกได้เห็นเกิดดับได้ แต่ใจเนี่ยถูกกิเลสตัวหนึ่งชื่อกุกุจจามันกวนเนกุกุจจ์กกจจเป็นความรำคาญใจนะไม่ได้อย่างใจอะไรเงี้ยไม่ถึกใจเสีงทีมันคล้ายๆยังไม่พอใจให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบตัวเนี้ยใจที่หงุดหงิดมันแอบแฝงอยู่นิดหน่อยไม่แรงนักหรอกแต่ว่าทุกอย่างมันก็คือ เวลาลองมองเนี่ยเราก็จะเห็นความไม่พอใจตัวเนี้ยเยอะมากนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> แต่เวลากระทั่งเวลาปฏิบัตินะ <c oughs> ก็ยังไม่พอใจอีกเนี่ยท <c oughs> ําไมกิเลสเยอะนักอย่างนี้ทนะ <c oughs> ําไมมันดื้อนักเมื่อไหร <c oughs> ่จะพ้นอย่างนี้ให้รู้ทันว่าจิตมีกิเลสกนะูกขุจตัวเนี้ยให้รู้ทันมันครอบใจเราอยู่อย่าให้มันครอบงําใจได้ แล้วเวลาเราจะรู้ทันตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าเราเห็นแต่แต่แ ต, ตโยมก็จะมองไม่เห็นนะ ถ, ถ้าถ้าตามที่ถ้าเห็นถ้าเห็นมันก็ไย้อมใจเราไม่ได้มันดับไปเลยค่ะเนะพราะตอนแรกเนี่ยโยมเข้าใจว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโยมมาเมืองไทยห น, หนึ่งแล้วโยมก็ไปที่วัดแต่โยมก็ไม่ได้ไปส่งการบ้านหลวงพ่อเพราะโยมมีความรูสึกว่าเดี๋ยวเ๋ยวไปฟังอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับไปดูใหม่ แล้วปีนี้เนี่ยทั้งปีโยมก็จะพยายามเดินจงกรมให้มากขึ้นเพราะมีความรู้สึกว่าไอ้โปร g r e ของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีตัวสมถะตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าใจเราไม่เป็นกลางให้สังเกตใจเลยใจนี้ไม่เป็นกลางนะใจมันจะเอาให้ได้มันไม่พอใจตรงนี้มันจะเอาให้ได้ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลาง ใ, ใจเข้าสู่ความเป็นกลางเราก็จะเห็นสภาวะสภาวะน่ะเห็นแล้วนี่แต่เห็นด้วยจิตที่ยังไม่มีคุณภาพคือจิตที่ไม่เป็นกลางหลวงพถึงสอนให้มีสติรู้กายรู้ใจทางความเป็นจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยเราขาดตัวสุดท้ายคือความเป็นกลางตั้งมั่นมีแล้วนะขันแยกแล้วนะแต่ว่ามันไม่เป็นกลางให้รู้ทัน ตไอตัวนี้แหละที่ว่าโยามอยากจะถามมาแล้วอย่างเงี้ยจะโยมจะจะรู้ทันตรงนี้ทํำยังไงที่ค่อยๆสังเกตเอาค่อยๆสังเกตเอามันสู้โยนีโสมนานศีการไม่ได้ค่อยๆดูค่อยๆดูไปอย่างแยบขายหเห็นความเร่าร้อนในใจเห็นความเร่าร้อนในใจเห็นบ้างไ้มเห็นคะ น, น, นั่นแหละดูไปที่เร่าร้อนนั่นแหละเพรา ะ, ะบางครั้งโยมจะเกิดความคือวันวันหนึ่งเนี่ยโยมจะเห็น กุศลเนี่ยเยอะมากอแล้วบางทีถ้าโยมเห็นกุศลเยอะม า, ม, มากก็คือได้กุศลมากนะพอโยมเห็นปุ๊บเนี่ยถ้าบางครั้งโยมนั่งทํางานอยู่ทํางานเอกสารเนี่ยพอยมเห็นอ่ะมันหนาอึอาดอดัอดอดึอดอดัอดอดีกล้วเหมือนจะอยู่ในกงขังบางวันโยมนั่งมองมันลงไปตรงๆเนี่ยแวบบหนึ่งโยมจะเห็นที่ฐานล่างของมันมันมีความหยาก ดิ้นดิ้นดินดินดนด้นดินอยากได้อยากมีอยากเป็นเออนั่นแหละดีแต่ว่าเห็นได้แว็บเดียวแล้วมันก็หายไปเกาเห็นนะสิมันถึงหาย อ, อ๋อคือคือโยมจะกลับไปดูใหม่อีกทีให้มันชัดๆนี่ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้แล้วไม่ได้ไอ้อย่างนั้นโลภอีกแล้ว <c oughs> ไม่เป็นกลาง <c oughs> ถ้าไม่เห็นได้แว็บเดียวก็ถูกแล้วอ่ะถ้าเห็นสองแว็บก็ไม่ใช่ของจริงแล้วนะ เมื่ออะไรสติระลึกปั๊บลงไปนะอากุศลดับทันทีไม่มีอีกแล้วไม่มีแวบที่สองแนละ้วเนี่ยโยมจะพูดกับเพื่อนของโยมที่ที่อเมริกาแต่เขาเขาก็ไม่ได้เป็นพวกที่ปฏิบัตินะฮะโยมจะบอกว่าเฮ้ยชีวิตนี่ไม่มีความสุขเลยปะ <c oughs> เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอปฏิบัติทำยังไงชีวิตเธอถึงไม่มีความสุขฉันไม่ปฏิบัติธรำเนี่ยฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันเนี่ยมีความสุขโ <c oughs> ยมก็เลยนั่งคิดเออเนาะหรือว่าเราผิดทางของเราไม้ทราบ เราโลภดูกิเลสนั่นแหละนะสังเกตกิเลสไปมันย้อมใจเราได้แ ล, แล้วคำถามสุดท้ายฮะเวลาโยมเดินจงกรมเนี่ยโยมจะเห็นความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเข้ามาเยอะมากอ้ อ, อย่างนี้นี่แสดงว่าโยมพุโทโธไม่เร็วพอหรือเปล่าฮะถ้ามันฟุ้งนะพุโทโธให้เร็วๆไปพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอันนั้นทำเพื่อให้มีสมถะนะ พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแต่จุดสำคัญนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบ<ม>นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในสถานการณ์อะไรนะไอตัวไม่ชอบเนี่ยแทรกอยู่ทั่วๆไปให้ดูไอตัวนี้ไว้ตัวนี้ตัวร้ายตัวนี้ตัวร้ายออแต่ว่าที่ถ้าถ้าที่โยมเฝ้าดูอะไรทุกตัวที่เราจมจะเห็นถ้าตัวอื่นเกิดสภาวานะน่นเห็นแล้ว<ห>แต่ใจไม่เป็นกลางต่อไป กรรมนมาสักการหลวงพ่อนะครับเมื่อประมาณห้เดือนที่แล้วก็ส่งกันบ้าหลวงพ่อบอกว่าภาวนาใช้ได้แล้วเราก็เหมือนจิตเริ่มเดินปัญญาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้รู้ไปครับก็ผมก็มีทําในรูปแบบก็คือทําเป็นอานาปนาสติครับแล้วก็ในชีวิตประจําวันก็เหมือนรู้จะจะรู้กายเป็นหลักนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะรู้รู้ชัดตอนที่เหมือนมันมีมีความเศร้าหรือมีเหตุการณ์อะไรที่เหมือนมาทําให้จิตทุกะครับพอทุกครั้งที่ แบบรู้รู้ว่าเอ้าตอนนี้เหมือนเริ่มทุกข์แล้วเราต้องเหมือนย้อนกลับมาดูกายใจครับตอนนั้นก็จะเห็นกายกับใจอะแยกกันแบบตอนทุกข์มันดูง่ายชัดเจนนะครับตอนสุขมันเพลอเพลินนะครับงั้นเวลาเราหัดใหม่ๆเราจะเห็นตัวทุกข์ก่อนถูกหรือละปกติอ๋อครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอเห็นแยกกันอ่ะตอนนั้นก็คือไม่ได้เห็นความทุกข์เกิดขึ้นแต่รู้ว่าตอนนี้ความทุกข์กำลังบีบคั้นที่ใจอยู่แต่รู้อย่างนั้นนหะ ก็รู้ทันไปใจยังไม่เป็นกลางก็รู้ว่าไม่เป็นกล้างอ๋อครับแล้วในส่วนของที่ทําในรูปแบบอะครับเหมือนพอทําอนาปนสติตอนแรกก็เหมือนจะเริ่มเหมือนจะเริ่มดีอะครับแต่ว่าพอทําไปสักพักนึงอะครับจะรู้สึกเหมือนว่าค่อนข้างจะมีคือรู้สึกว่าหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้แต่รู้สึกว่าทําไมมันถึงแบบเอ๊ะมันมันหลงบ่อยบ่อยเหมือนแบบนั่งไปแล้ว แล้วมันต้องมีการคิดอะไรสักอย่างพอคิดเรื่องนี้เสร็จปุ๊บแล้วพอเรารู้แล้วยังไม่ทันตั้งมั่นอยู่นานสักเท่าไหร่เลยก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับเวลาหลงเราเรู้หลงเราเรู้เนี่ยดีนะแต่ถ้ามันถี่จนกระทั่งมั่วให้รู้ภาพรวมเลยไม่ต้องไปดูทีละอันว่าหลงไปแล้วแล้วก็รู้หลงเราเรู้ไม่ต้องดูอย่างนี้นะดูภาพรวมเลยว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่มองภาพรวมลงไปเลยนะพอรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตจะสงบเลย ราคาเนี้ยมันจะค่อยๆมานิ่มนิมไม่มาพรวดพลาดเยอะแยะจะค่อยๆทยอยมาแล้วตอนส่งการบ้านครั้งแรกๆที่หลวงพ่อบอกจะเพ่งแล้วพอถ้าเกิดรู้อย่างนั้นมาว่างก็ก็เริ่มจะโกรว่าแบบจะกลับไปเพ่งอีกหรือเปล่าอะไรอย่าง<ด>เงี้ยเดี๋ยวไปรัวเลยเพ่งเรารู้เอาคนที่ติดสมาธิอ่ะเพราะว่าไปทําแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยนะแล้วไม่รู้ว่าพอใจในความสุขเลยติดสมาธิ ในถ้าทำสมาธิแลจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพอใจที่มีความสุขรู้ว่าพอใจพวกนี้จะไม่ติด<ม>แด้รู้ทันกิเลสของเราไหมกิเลสมันยินดีเยก็ไม่ติดละครับเราอยากจะทาทำได้นะไม่ใช่ไม่ทํานะสมาธิต้องทําไม่ต้องกลัวติดหรอกนะพอทําไปแล้วมีความสุขมีความสงบ ก, ก็รู้พอใจก็รู้ถ้าพอใจแล้วรู้ไม่ติดละ เราอันนี้จะเดินเดินเหมือนขึ้นวิปัสนาต่อไปเนี่ยคือจะต้องอยังไงมันขึ้นอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือขึ้นวิปัสนาเลยใช่ใชแต่ใจ<ช>มันฟุ้งไปไหน่อต้องทําอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ท่านในรูปแบบนั้นแหละแล้วคอยรู้ทัาานจิตที่ไหลไปไแต่ถ้ามันไหลามากรู้ในภาพรวมว่ามันฟุ้งซ่านถ้าไหลเร็วไหลปั๊บปั๊บป๊บ ป, บปบูไม่ทันนะรู้ว่ากําลังฟุ้งซ่านมองภาพรวมเลยแล้ามันก็จะสงบ แต่อันนี้ที่ว่าส่งการบ้านหลวงพ่อเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ทรงทรงอยู่เหมือนห้าสามเดือนอะไรอย่้วจะให้มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงเราก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นทั้งหากเราไม่ใช่ว่าจะต้องให้เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ละอ๋อเหมือนมันไม่ได้เหมือนมีอะไรพัฒนาให้เห็นนะครับให้รู้เลยใจโลภโทสะแทรกแลให้รู้ทันเข้าไปมันอยากเขาไม่ได้อย่างอยากถูกสาเข้า แต่นี้คือวิธีการปฏิบัติกออ็อยู่ในทางอยู่ใช่ใช่เว็ฟุ้งไปนนิดหน่อยเทะะ่านั้หายใจไปพูดโทไปบ้างนะทําสมถะบ้างหายใจออกหายใจใหายใจออกไปหน่อยหนึ่งก่อนแล้วค่อยหายใจเข้าพูดออกโธ ท, ทีหลังหายใจทิ้งไปนิดหนึ่งก่อนอย่างนี้แรงไปไม่เอาถอยขึ้นมาสมาธิอย่างนี้ไม่เอาสมาธิอย่างนี้เป็นการสะกดจิตตัวเองให้ให้สงบไม่เอา ยิ้มหวานอย่าลืมหลักสูตรยิ้มให้ใจมันยิ้มด้วยนี่มันยิ้มแต่ปากรู้สึกไม้มใจมันตุบตับตุบตับมันไม่ยอมยิ้มแล้วใช้ใจที่สบายพอใจสบายแล้วนะหายใจทิ้งไปหน่อยนึงก่อนหายใจออกทิ้งไปก่อนแล้วก็ค่อยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้กับน้ำสกรารหลวงพ่อคะอ่ะอยากเรียนถามหลวงพ่อนะคะคือเมื่ อ, อห้าเดือน ห้าหกเดือนมาแล้วค่ะคือเห็นแต่กุศ ล, ลจิตนะฮ ะ, ฮะเกิดขึ้นเหมือนน้ำพุเลยค่ะกุศลหรืออาุศลอกุศลนะคะคือเกิดจนคือแบบเป็นถ้าเป็นอาคุศลธรรมดานะคะอย่างโกรปโลดหลงนี่รู้ค่ะรู้ตัวนะคะแต่อันนี้เป็น อ, อกุศลที่ทนไม่ได้ไงคือเป็นการเวลาจิตปรุงแต่งแล้วจะเห็นเลยว่า อลบหลู่ครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เราเคารพนับถืออซึ่งเราทนไม่ได้ถึงขนาดแบบเหมือนฟุบลงไปเลยค่ะเนี่ยถูกหลอกค่ะก็ไม่ไม่ซาตุนฟุบฟุบลงไปเลยเออจนทนไม่ไหวโดนโดนกิเลสมันหลอกแล้วคือออกมาเป็นน้ำพูดเลยค่ะจนให้ให้มองอย่างนี้เเห็นอยยู่ลมองอย่างนี้เห็นไหมจิตมันปรามาสครูบาอาจารย์ปรามาสพระพุทธเจ้าเองคือ ดูอย่างนี้นะันดูว่ามันปรามาตเองมันทําได้เองเราเป็นแค่คนดูเราไม่ได้ปรามาตนะอตรงที่เสียใจอะค่ะไ <c oughs> อ้นั่นถูกกิเลสหลอกแล้วนะความเสียใจมาย้อมใจเราได้ต่อไปนี้นะถ้าจิตมันปรามาตครูบาอาจารย์ปรามาตพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยนะเราก็เห็นว่าจิตมันปรามาตได้เองจิตเราเป็นแค่คนดูไอ้ตัวนั้นมันปรามาตรไม่เกี่ยวกับเรานะนั่นอย่ามาเสียใจแทนมัน มันยังไม่เสียใจเลยมไม่เสียใจแทนมันทําไมให้ดูอย่างนี้นะแล้วตรงที่จิตมันประมาทครูบาอาจารย์เนี่ยเราไม่ได้เจตนาตัวนี้เป็นกรรมเล็กน้อยแต่ตรงที่เรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันนะเห็นสภาวะที่มันทํางานได้เองมันไม่ใช่เราเป็นปัญญานะเป็นบุญใหญ่นะคล้ายมีบาปเท่าปลายนิ้วก้อยมีบุญเท่ากําปั้นไม่กลัวอะไรคืออย่างนี้ค่ะคือว่าพอฟุบไปแล้วนะคะก็ ก็เกิดนิมิตนะคะเกินนิมิตคือทนทนไม่ไหวจริงๆคือฟุ๊บปรับไปเลยนะคะแล้วก็เกิดนิมิตเห็นว่าตัวเองไปนั่งสมาธิต่อหน้าพระประธานที่ห้องพระออืแล้วก็พระประธานก็หยิกที่แขนโอ้สมน้ําหน้าีเพราะยิกที่แขนก็สะดุ้งขึ้นมาเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ก็หายไปนะคะหายไปแต่ว่าก็ผุดเป็นเตอนนี้ฝึกสติให้ดีๆนะ ใจมันเออละเหยลอยชายมักไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะจับอยู่ที่กายรู้สึกให้มากขึ้นเพิ่มสติขึ้นสติอ่อนไปนิมิตมันก็เกิดแล้วก็ความรู้สึกมันก็ครอบงำใจได้เพิ่มสติขึ้นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยต่อไปคนสุดท้ายการนมัสการสิค่ะของโยมก็คล้ายๆกับพี่คือว่า าาปา마คูบาอาจารย์แล้วทําให้อกตัณยูความรู้สึก น, นะคะเมื่อก่อนไม่เคยเป็นเห็นความอากตัณยูความไม่เอาใจใส่ดูแลแล้วก็ความเห็นใครได้ดีก็ความอิจฉามันก็มีเรารู้ทันกิเลสกดี แ, <ต>ดแล้วนี่แต่ว่ามันชอบวนซ้ํา ม, มาซ้ำมาทเอี่ยให้ใหใใหมัน<ด>อย่าให้ความรู้สึกเศร้าหมองเนี่ยครอบงําใจปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าจิตคิดดีหรือจิต ค, ค, คิดร้ายนะปัญหาอยู่ที่ว่าพอมันไปคิดไม่ดีนะ มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นและความเศร้าหมองเนี่ยครอบงําใจอย่าไปให้มันครอบงำํำนะให้รู้ทันว่าเศร้าหมองดูไปจิตที่เป็นคนดูไม่เคยเศร้าหมองเลยนะดูอย่างนี้นะค่อยๆแยกไปแยกขันเข้าไปความเศร้าหมองก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วอย่าไปตกใจบอกวนะ่าจิตไม่นจะคิดอะไรก็เรื่องของมันนะบางทีมันไม่ใช่เราคิดเองนะบางทีมานนี้มันแกล้งเรานะ แก้กระตุ้นให้เราคิดไม่ดีหรือแก้กระตุ้นกิเลสอะไรเงี้ยมันทําได้นะเอามันกระตุ้นเรามาเราไปโตกโตกใจเนี่ยเราถูกมันครอบงำํำนั้นอย่าไปกลัวเราก็ดูไปมันคิดได้เองมันปรามาทของมันเองนะแล้วถ้าความเศร้าหมองเกิดขึ้นเราเห็นว่าความเศร้าหมองเกิดขึ้นความเศร้าหมองนี้ไม่ใช่จิตดูไปอย่างนี้เรื่อยๆแยกขัดไปเรื่อยๆมันเนี่ยกลัวมากเลยกลัวการแยกขัน แล้วก็มีอะไรมากระทบกระเทือนหน่อยหนึ่งแม้กระทั่งเหตุการณ์ปกติที่เคยไม่เป็นอะไรตอนนี้มันก็ได้ใจ ม, มันก ม, มันคล่อมกำจามจมากไปตอนเนี้นะใจไม่เป็นอิสระ ใ, ใ, ให้รู้ทัน้็ไปตรงๆเลยรู้ทันใจตัวเองนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็หลวงพ่อมีอะไรแนะนํา ร, รู้สึกไหมว่าใจเข้มแข็งขึ้นแล้ง่ายง่ายแค่เนี้ยไปยอมให้มันครอบเองกันโอ้แย่แล้วแย่แล้วอย่างเงี้ย <laughs> ง่ายจะตายหไหมหลุดออกมาแล้วกลัวอะไรมันนะเกิดอะไรขึ้นนะแยกขันดุมไปไม่มีอะไรหรอกมันหลอกเราไม่ได้แล้วแล้วก็การเดินปัญญาของโยมมันเดินอยู่แล้วล ะ, ละไม่ต้องกลัวแต่ช่วงนี้มันฟุ้งไปหน่อย <c oughs> ถ้าฟุ้งซ่านมันก็ไม่เดินปัญญาแต่ว่ามันเดินเป็นแล้วไม่ต้องกลัวหรอกหมดแล้วในโอกาสนี้นะครับก็ได้มีนัดิทานได้นำ เจและไตรธรรมถวายนะครับก็ผมขออนุ ญ, ญาตนะครับเป็นตัวแทนทุกทุกท่านในห้องนี้นะครับแล้วก็ข อ, อทุกท่านได้ร่วมกล่าวนะครับเพื่อถวายไตรธรรมนะครับละปัจจัยเหล่านี้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยและไตธรรมกับสิ่งของเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ หลวงพ่อปาโมทปาโมชโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกัลละนานเทินยะถาอริวหะปูราภริภูเรนตีสาคลรังเอวเมวะอิโตจินงังเปตานังอุปการปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันทูปนรารโสยถามณิโชติละโสยถาสพีติโยวิวัตฉันตุสัพพรโรควินัสตุมาเตปวัดวันตระโยสุขีทิขายุโกภวะอาปิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายิโน จตาโรโธรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขขังพลังของคุณอย่าไปเพ่งเพ่งแรงไปนะรู้ให้มันสบายใจวันนี้นเครียดไปไปเครเครียดดูสบายๆนะหลวงพ่ออนุมโมทนากับทางโรงแรมด้วยนะทางโรงแรมเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรานะข อ, อนุมโมทนาทางโรงแรมนะ